เจริญพรทันสารุชน ผู้สนใจในการปฏิบัติตรทุกทุกท่านตอนนี้ก็เป็นครั้งที่สองให้ตั้งอกตั้งใจฟังอย่างที่บอกว่าจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติสิ่งที่เราฟังก็ดี ที่อ่านก็ดีอันนั้นเพียงแต่รู้ตัวนั้นคือตัวรู้อยากคิดว่ามันมีแค่นั้นในภาษาอังกฤษก็ดีมากคำที่หนึ่งคือรู้รู้แล้วคำที่สองจะต้องต่อเนื่องด้วยการทำความเข้าใจเรียกว่า understand คำที่หนึ่งคือ no คำที่สอง understand คำที่สองวพาไปคำที่สามมันเป็นเรียกว่าญาณทัศนะก็คือตัวปัญญาเรียกว่า w i s d m นี่มันสามคำรู้เข้าใจ าก็รู้แจ้งเห็นจริงที่ว่าญาณทัตนะทีนี่เราปฏิบัติมันไม่ได้ตามขั้นตอนได้เก่อ่านเกะฟังก็เราก็จะว่ามันรู้แล้วแค่นั้นมันรู้แล้วมันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่ต้องไปขั้นที่สองอ e r เดอร์ a แตนพอเราเข้าใจเราก็ปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดดวงตาภายในขึ้นมาดวงตาภายในนั้นเคยเรียกว่าวิสลัมเกิดตัวปัญญาให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาจึงจะเอาไปใช้งานได้นี่มันใช้งานไม่ได้มันยังใช้งานไม่ได้ก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์นี่อย่างที่พูดค้างเอาไว้เมื่อคืนว่าพระพุทธเจ้าของเราน่ะ ก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเป็นพระราชาอาัติยใช้เวลาหกปีรองเท้าไม่มีเครื่องห่อหุ้มร่างกายก็เป็นของที่ไม่ได้ดีเหมือนเอนกับของชาวบ้านทั้งหลายอาหารการสวย ก็ลำบากตอนที่พระองค์แทนว่าไม่มีทางแล้วก็เลยเอาหยิบได้อะไรที่ข้างๆก็เอามาเข้าปากเพราะต้องการที่จะให้ร่างกายนี้มันฟื้นเร็วขึ้นมาท่นจนมาฟื้นครั้งสุดท้ายก็คือ สวยอาหารของนางสุชาดามีเลี้ยวมีแรงมีพลังมีทั้งพลังกายแล้วก็มีทั้งพลังจิตก็ยังขาดพลังปัญญาที่จะถึงที่สุดนั้นพระองค์จะต้องข้ามน้ำข้ามท่าไปที่ต้นโพ ไปถึงเห็นว่าสถานที่นั้นร่มรื่นร่มรื่นดีอ๋ที่นี้แหละเหมาะสมฉะนั้นการจดจะรู้หรือการรู้ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเราอย่ามัวนอนอย่ามัวหลับอยู่ต้องตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติ ตื่นขึ้นมายังไม่ถึงเวลาที่จะตื่นก็นอนภาวนาไปตื่นแล้วได้เวลาก็ปฏิบัติไปนั่งไปอะไรไปต้องใส่ใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นต้องใส่ใจอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อพระองค์ไปพบสถานที่ที่เหมาะสมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเรออย่าปล่อยเวลา ตอนใกล้ลุ่งให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์ก็เรียกว่าอย่าเห็นแก่นอนมีเด็กคนหนึ่งเป็นแพทย์เรียนแพทย์อยู่ก็คุยกันบ่อยๆอยู่ที่เชียงใหม่พะหลวงพ่อให้ทุนก็สิบคนตอนที่ไปบรรยายที่แม่โจ้ก็อบอกหมอดุลยยาว่าอาเงินให้หลวงพ่อหนึ่งแสน หนึ่งแสนนั้นหลวงพ่อจะต้องใช้พอบรรยายเสร็จก็ให้นักเรียนแพทย์คนละหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งหมื น, น, มนตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่สี่ห้าคนเพราะบางคนเขาก็มีฐานะหลวงพ่อก็ไม่ให้ให้คนที่ไม่มีฐานะถามว่าเออเธอนอนแล้วตื่นเวลาเต่าไหร่ก็บอกว่านอนตีหนึ่งตื่นเอา เจงเชา้าบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เธอต้องยอ่อเวลาต้องยอ่อเวลาจะนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ได้แล้วก็ตีสี่ต้องตื่นพระพุทธเจ้าถามก็พระพุทธเจ้าจะจะรู้ในเวลาไหนเขาก็บอกว่าเวลาใกล้รุ่งฉะนั้นญาติโยมจำเอาไวด้ดีเวลาใกล้รุ่งเป็นเงินเป็นทอง สำหรับพวกเราทุกคนเพราะเราพักผ่อนจิตใจก็แจ่มใสในตอนนั้นจิตใจแจ่มใสทีนี้พอตื่นขึ้นมาเราจะเข้าห้องน้ำห้องท่ายก็ทำไปตามปกติแต่ว่าต้องจับฉวยก่อนจับฉวยโอองภาวนาภาวนาอะไรไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู ข้าวห้องน้ำแปลงฟันล้างหน้าไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจ ก, ใกูเพราะฉะนั้นนี่เละเวลาที่เป็นเงินเป็นทองมากตอนใกล้รุง่งถ้าเราจะต้องเตื่นเตือนแล้วก็ภาวนาภาวนาเลยไม่ใช่ว่าโอ๊ยต้องล้างหน้าล้างปากแปลงฟันก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ จิตไม่ต้องแปลงฟันไม่ต้องล้างหน้าหรอกเทยาว่าต้องอย่าให้สิ่งอื่นมันเข้ามารบ ก, กวนในตอนนั้นไนอะ้กิเลสไอ้ตัวกูนะ่ะตัวกูตอนที่เรานอนหลับพอตื่นขึ้นมามันก็จ้องแล้วจ้องแล้วให้เราคิดอะไรยึดมั่นถือมั่นอะไรเราไม่เอาอะไรเราเอาไม่ใช่กูตัวเดียวหรือว่า เราจะเอาอย่างอื่นก็ได้สิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนสิ่งตั้งปวงว่างจากตัวตนก็คือไม่ใช่กูนั่นแหละสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนสเพธรรมมาอนัตตานั่นประโยคนั้นสเพธรรมมาอนัตตาสเพธธรรมมาสุญญตาสิ่งตั้งปวงว่างจากตัวตนเราไปรักสิ่งไหนพิจารณาสิ่งนั้น ดูสิ่ง น, นั้นให้เข้าใจดูให้เข้าใจเล็งให้เข้าใจมันมาจากไหนมันเป็นยังไงแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนี่สิ่งที่เรารักเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราเกลียดเราก็ต้องพิจารณาสรุปแล้วว่าสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมะนะั่นแหละธรรมะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมดให้ทุกอย่าง เป็นธรรมะทางนั้นพระท่านสวดเราทุกคนเคยจะไปเคยไปงานศพพระก็ต้องสวดธรรมมาธรรมมาธรรมมาธรรมมก่อนที่จะเป่านั่นเนี่คือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติทีนี้เราก็เป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติให้ร่างกาย ธรรมชาติเขาลงทุนให้เรายืมเมื่อให้เรายืมแล้วเขาก็จะเอาคืนอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเขาจะเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วทีนี้ธรรมชาติที่เขาให้ชีวิตนี้มาเขายัง่ายให้อะไรอาหารการกินได้มาจากธรรมชาติหมดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ได้มาจากธรรมชาติหมดที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นช่องเป็นอาการสถานที่ได้มาจากธรรมชาติหมดเก็บไข้ได้ป่วยได้มาจากธรรมชาติหมดเคยหยกยารักษาโรคทีนี้เมื่อก่อนยาของเราไม่ทันสมัยก็มียากลางบ้านแล้วก็มีการพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนถึงสมัยนี้ ชีวิตของผู้สูงอายุยืนขึ้นยืนขึ้นตายช้าเอา้าเสร็จแล้วเราดีใจว่าเราตายช้าให้ตายช้าเมื่อมันเป็นทุกข์และตายช้าทำไมตายเร็วไม่ดีกว่าหรืออยู่มันเป็นทุกข์รองพ่อให้เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลไปสองเครื่องพร้อมด้วยเตียงอัตโนมัติสองเตียง รวมแล้วเป็นเงินก็นล้านกว่าด้วยเงินทองของญาติโยมทางนั้นนี่หลวงพ่อก็คิดว่าช่างมันเถอะเพราะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยชีวิตเขาแต่ถ้าหากว่าช่วยชีวิตเขาแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนันก็ช่างไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคนนั้นก็คิดได้อะไรได้แล้วพอเขาหายป่วยเขาก็ปฏิบัติธรรม อย่างนั้นก็หลวงพ่อคิดว่ากําไรแล้วนั่นเป็นกําไรแล้วนี่เรียกว่าช่วยช่วยชีวิตแต่ถ้าชีวิตนั้นมันยังถูรูถูกกงมันยังเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับว่าเราเจ็บไายได้ป่วยนั่นแหละเพราะหายป่วยจิตใจก็เหมือนเดิมยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะเหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฉะนั้น เราต้องภาวนาให้มากภาวนาให้มากต้องคิดเอาไว้ว่าหนึ่งรู้สองเข้าใจสามยานทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงต้องรู้แจ้งเห็นจริงนี้เจ้าควาใจจิตตถะพระองค์ก็ตั้งไปแล้วตั้งอกตั้งใจแล้วว่าเราต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ นอกจากว่าช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พระองค์ก็เอาชีวิตเนี่ยข้าวแรกฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอาชีวิตนี้เข้าไปแรกไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อที่จะอยู่สะดวกสบายญาติโยมก็ตามใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่าตามใจญาติโยมก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมแต่ตัวเราเองนี่ต้องเรียกว่า จะ ต, ต้องอันดับหนึ่งจะ ต, ต้องไม่ตามใจกิเลสไม่ใช่ อ, อะไรก็ต้องโอปกันอะไรกันเราพ่อไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาต้องทำกับตัวเองต้องเอาชีวิตเข้าแรกเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเอาชีวิตข้าไปแรกเพื่อใครก็เพื่อพวกเราทั้งนั้นเลยทีนี้ตาดูศาสนาอื่นพระเยซูพระเยซูรู้ความจริง แต่เจ็จแล้วไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อก็ยืนกระต่ายขาเดียวคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นยังไงก็โดนลงโทษเอาไปเอาไปขึงเอาไว้ที่ไม้กางเขนก็เลยเสียชีวิตเลยแล้วมาคิดได้ทีหลังันประโยชน์อะไรอย่างนั้นประโยชน์อะไรแล้วทีนี้เรานี่พระพุทธเจ้าก็เราพระองค์ลงทุน เอาชีวิตเป็นทุนเพื่อใครเพื่อเสด็จพ่อของพระองค์ที่พระองค์รักที่สุดเพื่อประชายาลูกน้อยของพระองค์นอกนั้นก็เพื่อประชาชนแล้วไม่ใช่ประชาชนเพื่อคนเดียวทั้งโลกทั้งโลกนี่พระองค์คิดอย่างนั้นจึงกล้าที่จะลงทุน เป็นการลงทุนที่ได้กําไรมากพระพุทธเจ้าพระองค์ลงทุ น, นได้กําไรมากทีนี้ไอ้สายว่าว่ายังไงไอ้สไตนะ่ะเขาก็สนใจธรรมะหรือว่าสนใจพระพุทธศาสนาเขาก็พูดว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาของประเทศใดประเทศหนึง่งแต่เป็นศาสนาของโลกนั่นคือปัญญาชน เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเอา้ามีเหตุผลยังไงเราปฏิบัติที่ตามอริยมรรคไมองคปดนะปฏิบัติแล้วจะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาก็คือเห็นอริยสัจว่าเห็นอริยสัจก็คือเหตุผลนั่นเองนะเดี๋ยวพูดทีหลังนเดี๋ยวพูดทีหลัง เอาทีนี้เจ้าว้าใจสิทธัตถะเมื่อพระองค์ตั้งอกตั้งใจแล้วว่าเด็ดขาดกันเที่ยวนี้แหละถ้าไม่ได้ก็ตายถ้าไม่ตายก็ได้เอาเที่ยวนี้แหละพระองค์ก็นั่งประทับนั่งใต้ต้นโพอ่านหน้าประหารประพักไปทางทิศตะวันออกอย่างนี้พระองค์ก็นั่งนั่งภาวนาภาวนาแล้วก็ใกล้ครวนใกล้ครวนใกล้ครวนตั้งแต่ค่ํา ตั้งแต่ตอนเย็นคำ่ำแล้วก็ก่อนที่จะสว่างก็รู้ขึ้นมาทีนี้พระองค์ก็รู้ขึ้นมาพุทธโธเกิดขึ้นมานี่พระองค์ภาวนาภาวนาแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณายังไงก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขงังอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงไหนทุกอย่าง ธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างถ้าพูดเรื่องธรรมชาติหนึง่งธรรมชาติทุกอย่างแม้แต่ขี้ฝุ่นก็เป็นธรรมะจนใหญ่โตมโหรานจะเป็นภูเขาเราวกาธรรมะทางนั้นสิ่งไหนที่ตั้งขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางดับไปในที่สุดธรรมะทางนั้นไม่มีอะไร นอกเหนือไปกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นโลกไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไม่ว่าจะเล็กนิดเดียวธรรมะทงนั้นเน่งธรรมชาติสองกฎของธรรมชาติธรรมชาติทุกอย่างหรือธรรมะทุกอย่างมีกฎอยู่ในตัวของตัวเองไหลเลื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อ ย, ย, อยข้าไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตา เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนเอ้ามันก็ไม่มีอะไรดิมันก็ไม่มีอะไรดิรดสุญญาตาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นสุญญตานั่นคือว่างนั่นคือว่างทีนี้ไอ้สไตล์เขาเขาพิสูจน์พิสูจน์ ส, สิ่งต่างๆเนี่ยก็พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์จนหมดจนไม่มีอะไรเหลือ จนไม่มีอะไรเหลือทีนี้เมื่อไม่มีอะไรเหลือว่างแต่ว่างของเขาถ้าว่างไม่มีนะมิจฉาทิฏฐิถ้าว่างไม่มีนะเป็นมิจฉานิทิฏฐิมันต้องว่างจากตัวตนต้องเห็นว่าทุกอย่างที่พิสูจนทีสูตรพิสูตรพิสูตมาเนาะเออมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่นี้แหละมันต้องว่างจากตัวตนฉะนั้นว่างจากตัวตนนีกหนึ่ง จิตว่างจากตัวตนสองวัตถุหรือสิ่งนั้นว่างจากตัวตนเราพิสูจน์ที่จิตก็ว่างจากตัวตนพิสูจน์ที่ร่างกายก็ว่างจากตัวตนพิสูจน์ที่วัตถุก็ว่างจากตัวตนพิสูจน์ที่โลกนี้ก็ว่างจากตัวตนพิสูจนที่จักรวาลนี้ก็ว่างจากตัวตนแต่มีจักรวาลอื่นมันก็ว่างจากตัวตนทีนี้เป็นยังไง ทางฝ่ายอเมริกานะหรือว่านักวิก์นักเคมีนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ส่วนมากภายนอกทางนั้นเลยไม่พิสูจน์ในจิตโอ้พระจันทร์เป็นยังไงดาวอังคารเป็นยังไงนู่นปล่อยนอกเลยออกไปนอกหมดร็จ แ, แล้วไม่เข้ากลางไหน ตราบใดที่ยังออกไปข้างนอกอย่างนั้นพุทโธเกิดไม่ได้ตัวรู้เกิดไม่ได้นี่เรียกว่าคนที่เป็นปัญญาชนแต่ว่าไม่เอาปัญญานั้นกลับเข้ามาหาจิตกลับเข้ามาหาที่เนื้อที่ตัวถ้ากลับเข้ามาหาที่เนื้อที่ตัวมันจะพบอะไรสิ่งที่พบอ่าเป็นอะไรหนึง่งเรียกว่าอ่านิพิทานิพิทา นิพพีตาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ตอนหนึ่งพระในสมัยของพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระองค์ให้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเห็นร่างกายของตัวเองเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นเหมือนกับซากศพ กันสาศพทางนั้นนี่สมมติเราทุกคนโอ้ยนั่งนั่งตายกันไปหมดตายแล้วก็ไม่มาเอาศพไปแต่ก็นอนทับพื้นอยู่ที่ตรงนี้ก่อยก้อยเปื่อยค่อยๆเน่าก้อยๆเหม็นโอ้มันจ ก, กปรกทีนี้พระเหล่านั้นปฏิบัติเห็นร่างกายเป็นของจกปรกเห็นคนอื่นก็จกปรกมีความเบื่อหน่ายนี่เทกวันนิพพีทานิปพีทาพอเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาจะทํำยังไงดี เบื่อนายเหมือนกับว่าเอางูนะ่ะงูที่มันตายแล้วออามาคล้องไว้ที่คอเหมือนกับสร้อยคออย่างนั้นแหละและ้วงูนะั้นมันกนเหม็นมันก็เน่ามันก็ฉก ก, กระปลกร่างกายของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอเบื่อนายเกิดนิพพิทาขึ้นมาข่าตัวตายกันทีนี้ข่าตัวตาย วานให้พระที่เป็นเพื่อนนะช่วยเชือดคอทีเถอะช่วยฆ่าทีเถอะมันเบื่อหน่ายฉันไม่อยากอยู่แล้วมันเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาเพื่อนไม่ฆ่าก็ฆ่าตัวตายเองฆ่าตัวตายเองทีนี้พระตัง500้งห้าร้อยนี่พระพุทธเจ้าเลยจะถามว่าเอ๊ะพระเหล่านี้หายไปไหนกันหมดเนี่ยเห็นเหลือน้อยพระก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาพระเจ้าค่ะ แล้วก็เลยเชื่อดคอตัวเองฆ่าตัวเองพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติเลยบัญญัติว่าฆ่าคนอื่นก็ดีฆ่าตัวเองก็ดีขาดจากความเป็นพระทำอย่างนั้นไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเรียกว่าต้องอาบัติปาราชิกข้อที่หนึ่งคือฆ่ามนุษย์เพราะฉะนั้นตัวเองก็เป็นมนุษย์คนอื่นก็เป็นมนุษย์ฆ่าไม่ได้ พิกโนลนั้นก็เลยได้หยุดไปนี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าเกิดนิพพิธาเกิดความเบื่อหน่ายทีนี้ข้อที่สองวิราคะวิราคะก็คือปราจจาราคะราคะไม่ใช่ราคะแต่ก็ระหว่างเพศอย่างเดียวระหว่างเพศมาอันดับหนึ่งแต่ว่าราคะในทุกสิ่งทุกอย่างในสามีในภรรยาในลูก ในวัตถุต่างๆในบ้านในช่องในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างแต่เราเข้าไปพอใจราคะนั่นคือราคะทางนั้นเลยทีนี้เราไปคิดว่าราคะก็คือระหว่างเพศ่นั้นมันไม่ใช่มันมากราคะนี่ราคะในวัตถุในเพื่อนในฝูงในสิ่งที่เราชอบใจให้พิจารณาง่ายๆดูง่ายๆว่าวสิ่งไหนที่เราดึงเข้ามาหาตัวนะ่ะ ดึงก็มาหาตัวเพื่อตัวกูเพื่อตัวกูเพื่อตัวกูแล้วก็เอามาเป็นของกูราคะนั่นคือราคาทีนี้ข้อที่หนึ่งนิพิทาข้อที่สองวิราคะวิราคะก็คือไม่มีราคะเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เบื่อหน่ายกลายกําหนัดอพอเบื่อหน่ายกลายกําหนัดก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นจีว่าวิราคะวิราคะ นี้อย่างที่ในประเทศอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาเบื่อหนายกลายกําหนัดอย่างญาตสากุลบุตรน่ะญาสาวกุลบุตรเป็นลูกเศรษฐีมีมีไม่รู้ ก, กี่คนทรัพย์สมบัติมากมหาศาลมีเงินมีทองมีเพชรนินจินดาเป็นกายเป็นกองอย่างเนี้หรือว่ามีพระรูปหนึ่งที่ว่ารัฐบาลถ้ารัฐบาลก็เหมือนกันไปฟังตามก็ทีเดียว ขอพ่อแม่ออกบวชเลยแม่บอกว่าบวชไม่ได้ลูกจะบวชยังไงเนี่ยทรัพย์สมบัต80ิ80สโกรนี่ลูกจะเอาไปไหนโอ้ยบอกว่านี่อย่างนี้ทีทรัพย์สมบัต80ิ80ดสิบโกรเอาใส่เกวียนแล้วก็ไปทิ้งทะเละมันหมดทิ้งที่ไหนเราโอ้ยน้าท่วมเป็นยังไงผู้สูงอายุมีเพชรนินจินดามีทองใส่เข้าไว้ที่หัวเตียง เขาก็มาถึงบอกคุณยาอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกไปยบแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นพูดตรงฉันไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ฉันต้องอยู่ที่นี้ฉันไปไม่ได้บอกก็ว่าฉันเอาเงินเอาทองใส่ที่หัวเตียงก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนป้นอีกนอนกอดเตียงตายอยู่อย่างนั้นมีอย่างนี้เห็นไหมนั่นเลยยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นทางนั้นทีนี้พระรัฐบาลพระรัฐบาลเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกัน เป็นโรคสิทธิีแล้วกอกคนเดียวมีทรัพย์สมบัติ80โกดไปฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็เลยวิสธรรมนั่นแหละวิสธรรมอย่างนี้เขาเห็นตามความเป็นจริงเขาเห็นตามความจริงอย่างนั้นก็ขอพ่อแม่ว่าบวชขอบวชพ่อแม่บอกว่าบวชไม่ได้เตยจังยังไงยังไงก็ไม่ให้บวชถ้าไม่บวชก็เป็นยังไงตายดีกว่าขอตายดีกว่า คือประชดบอกว่าต้องตายดีกว่าทีนี้ก็ไม่กินอาหารวันหนึ่งก็ผ่านไปสองวันก็ผ่านไปสามวันก็ผ่านไปเจ็ดวันผ่านไปเอพ่อแม่ก็เกลว่ า, ว า, วามันจะจริงแล้วลูกของเราจะจริงถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็อ้อนวอนไปอ้อนวอนอีกบอกว่าอย่าบวชเลยลูกเอยอยู่ที่นี้แหละอยู่กับพ่อกับแม่มีทรัพย์สมบัติก็ทำบุญไปอะไรไป บอกว่าลูกไม่เอาทางนั้นอย่างอื่นไม่เอาทางนั้นทีนี้ถ้าหากว่าลูกพ่อแม่ให้ลูกบวชพ่อแม่ยังได้เห็นหน้าลูกแต่ถ้าหากว่าถ้าพ่อแม่ไม่ให้บวชลูกขอตายจะขอตายนอนตายที่ตรงเนี้อดอาหารอดอาหารอดอาหารเอา้าวทีนี้เศรษฐีก็เลยไปก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนไปบอกเพื่อนเพื่อนของ รัฐบาลเนะี่ยคือของลูกชายเนะี่ยเรามาช่วยอ้อนวอนหน่อยเถอะเพื่อนเพื่อนก็มาอ้อนวอนก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยจนอนุญาตทีนี้อนุญาตให้บวชพอบวชแล้วดีใจที น, น, นี้ไปปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตจนเห็นธรรมเกิดสติปัญญาขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอเป็นพระอรหันต์ก็คิดถึงโยมพ่อคิดถึงโยมแม่ก็ไปที่กระหอดของตัวเอง ผอมในตอนนั้นผอมพอไปที่คารืหาดของตัวเองคือจะไปโปรดพ่อแม่นั่นแหละตามที่จริงน่ะไม่ใช่เป็นห่วงบ้านหรอกไปเพื่อที่จะโปรดพ่อโปรดแม่ทีนี้พอไปเอา้าเป็นยังไงคือไปบินทาบาตเป็นการไปบินทบาตไปบินทบาตก็ไปวันที่หนึ่งสาวใช้น่ะเอาขนมบูดขนมที่บูดแล้วเอามาใส่ถังขยะที่หน้าบ้านอ่าทีนี้ ท่านก็บอกโอ้นี่น้องหญิงพ่อในบาทท่านยังไม่มีอะไรเลยน้องหญิงเธออย่าเอาไปติ้งในถังขยะเลยเอามาใส่ในบาทของหลวงพี่เต อ, อเขาก็เลยเอามาใส่บาทพอใส่บาทท่านก็เปิดบาทยื่นบาทออกไปยื่นบาทนางสาใจก็เห็นมือของท่านก็จำได้จาได้โอ้นี่เจ้านายของเรานี่ เห็นยงไงทีนี้ก็เลยเข้าไปบอกอท่านเศรษฐีกับภรรยาของเศรษฐีแต่ท่านก็ไปแล้วท่านไปแล้วท่านไปท่านก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นลูกเศรษฐีอะไรไม่ได้บอกท่านไปแล้วก็ไปฉันขนมบูรนั้นแหละแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ไปอยู่ตามปกติของพระอริยบุคคลนัล่นแหละทีนี้นางสาวชายคนนั้นก็ไปบอกท่านเศรษฐีบอกว่า ลูกของท่านเศรษฐีที่บวชนั่นแหละมาเมื่อตอนเช้านี้แล้วก็มาบินตบาทแล้วก็ให้หนูนี่แหละใส่บาทเอาขนมบูดนั่นใส่แล้วท่านก็ไปอ๋อทีนี้ก็เศรษฐีก็ให้คนตามที่นี่ตามไปตามไปพรุ่งนี้เช้าให้มาอีกบอกว่าไอมารับบาทในคารืหาดนี้แหละโรดเศรษฐี ของอินเดียนี่มากนะเป็นตั้งร้อยสองร้อยคนนะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งร้อยสองรอยคนอันดับหนึ่งนะเศรษฐีในประเทศอินเดียนะอันดับหนึ่งในโลกอันดับหนึ่งในโลกมากจริงๆคนจีนก็ยังสู้ไม่ได้สู้อินเดียไม่ไ ด, ด้เรื่องเพชรเรื่องปลอยเรื่องอะไรเนี่ยเต็มไปหมดทีนี้เศรษฐีก็วางแผ่น <c oughs> วางแผ่นวางแผนเพราะว่าผู้ที่เป็นภรรยาก็มีหลายคน ภรรยาของลูกชายนะมีหลายคนมีหลายคนที่นี่วางแผนว่าให้ท่านมารับบาตรไปรับบาตข้างใดในคาลือห์นี่มันก็มีทางเดินทางเดินก็เป็นทางเดินที่สบายทางนั้นเนี่มันเรียบร้อยทางนั้นน่ยบานเศรษฐีนี่ที่นี่ข้างๆทางเดินทํำยังไงก็เอาเพชรนินจินดาทองนี่แหละไปกองกองกองกงกองไว้กองข้างกางเดินน่ะกองข้างทางเดินงงกองแล้วก็เอาเสื่อ ล, ลําแพน เอาเสือลำเพนปิดไห้ปิดไววปิดไว้ปิดไววปิดไวอ้าวทีนี้เสร็จแล้วได้เวลาพระรัฐบาลก็มาเข้ามาเข้ามาก็คุยกันอีกว่านี่ลูกซึกออกมาเถออย่าไปอยู่เลยลำบากเห็นไหมนั่นหน้าตาก็ดูไม่ได้แล้วผมเส้นเอ็นขึ้นแล้วเห็นไหมบอกว่าเดี๋ยวทำยังไงนี่เพชรนินจินดานี่จะเอาไปไหนจะเอาไปไหนน่ บอว่าเอาไปทิ้งตะเลนะว้ทําไมอ่ะเพชรมันอะไรอ่ะทองมันอะไระนี่พระอาราหันต์เขาเห็น<ม>เห็นสิ่งเหล่านี้เพชรมันก็คือก้อนหินทีนี้เราลองคิดดูไอ้ก้อนหินเนี่ยมันเป็นยังไงก้อนหินที่มันอยู่ในภูเขาหรือว่าอยู่นอกภูขเขาเลียรายะเดี๋ยวมันเป็นยังไงคนสมัยก่อนนู้นแล้วที่เกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆนะเขาไม่มีเครื่องมือ ในการที่จะตัดนั้นตัดนี้ตัดโ น, น้นก็เกิดยุคหนึ่งเรียกว่ายุคสมัยหินเขาก็เอาหินนั่นแหละหาหินนั้นเอามาที่คมๆเลยออกมาทํามีาดก็ตัดโน้นตัดนี้นี่ก็ไปกันตามภูเขาพอไปตามภูเขาพอ ไ, ไปเห็นเป็ดนินกินดาก็อะไรข้าวที่โอ้มันมีติดโขกระปรกมีหินบ้างเศษหินบ้างติดเออไอนี้อะไรดูมันเววาวาวดีนี่เววาวาอา เอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยมันแข็งดีมันแข็งดีและมันก็มีแสงสว่างทีนี้สมัยนั้นคงจะใช้ไฟใช้อะไรกันแล้วแหละอ่าก็เออเอาไปใช้แทนไฟดีกว่าเพราะว่าในสมัยโน้นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ่ยหรือว่าพระราชามหากรษศาสตร์นะ่ยเขาจะเอาเพชรนี่แหละออกเพชรนินจินดาเนี่ยออกเอาติดเหมือนกับไฟอย่างนี้เอาห้อยเอาห้อยไว้หรือ ว, วางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, เ, จดเพื่อใช้เป็นแสงสว่าง ก็ม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับคนสมัยนี้น่ะมายึดมันนั่งสองแล้วเพชรนั้นสองเหมือนกับคนบ้าพระเครื่องอย่างนั้นสองสองสองสองผู้หญิงก็สองเพชรเอาไหนที่สองเห็นอนิจจังอนัตตาบ้างไว้ไม่เลยเห็นแต่ก้อนหินทั้งนั้นเลยไม่เห็นเห็นอะไรเลยมันต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็ก่าวไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรมันก็เป็นก้อนหินอื พระอารหาันต์เขเห็นเพชรเป็นก้อนหินทีนี้พอคนไปเจอเพชรข้าวก็ออกมาจารนายทำเป็นไฟยแสงสว่างตั้งเต็มไปหมดไม่ต้องจุดตะเกียงทีนี้บางคนที่ไม่ไมชินพอข้าวไปในบ้านเสร็จทีแสบตาเลยเพราะแสงเพชรมันจ้ามากแสบตาเลยทีนี้นี่คือเขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากหรอก เอามาทำไฟเอามาทำไฟต่างหากแต่เรานี่พอามายุกหลังก็คิดว่าโอ้ยนี่มันของดีนี่มันมหาศาลมีค่ามหาศาลเลยใส่เข้าไปเลยเอาจิตใส่เข้าไปยึดมัน่นถือมันยึดมัน่นถือมันยึดมัน่นถือมัน่นโอ้อามาไหวที่หน้าปากเลยทีนี้ไหวตรงไหนไม่ไหวพระราชามหากศาศัตริย์ของประเทศอังกฤษเอามาใส่ไหวหน้าปากอันดับหนึ่งแล้วนั่นอันดับหนึ่งแล้ว คนโบราณก็เที่ยวทิ้งๆ้งกว่างกวางวาก็ไม่เอาแต่เสร็จแล้วก็เอามาทําแทนดวงไฟเราก็ยึดมั่นถือมั่นแต่พระอารหาันตานนท์นี่มันก้อนหินเพชรเนี่ยดูแล้วมันก้อนหินหลวงพ่อก็งสงสัยเหมือนกันมันอะไรแล้ทําไมมันมีแสงสว่างเพชรมันมีแสงสว่างหลวงพ่อก็คิดคๆๆๆๆๆๆๆๆิดคิดคิดคิดคอเพชรนี่มันก้อนหินแต่ว่ามันเป็นก้อนหินที่พิเศษ มันได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่ไม่ใช่มีเจ็ดสีนะสีนับไม่ท้วนสีของดวงอาทิตย์เนี่ยสีของดวงอาทิตย์นับไม่ท้วนทีนี้เพชรนี่แหละมันรับรับแสงรับแสงเสร็จแล้ว le, มันก็เก็บวไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กันร้อยปีพันปีหมื่นปีล้านปีนี่มันแสงสว่างมันเต็มมันเต็มนี่เสร็จแล้วคนก็ไปเห็นพอไปเห็นก่อน ก็พอสมัยโน้นออกมาทํารวงไฟสมัยนี้ก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองก็ออกมาเจรนายเจรนายเจรนนีเ่เรื่องเจรนเพชรนินจินดาเนี่ยอันดับหนึ่งประเทศไทยคนที่เมืองจันทร์จันท บ, บุรีนั่นแหละอันดับหนึ่งทีเดียวเลยขายเงินปีๆไม่รู้กี่พันล้านเนี่ยออกจากประเทศไทยเรนนี้พระอราหันต์ท่านเห็นเพชรพลอยเป็นก้อนหิน เห็นทองนอะไรเหลืองเหลืองอะไรมันเหลืองเหลืองเนเอานี่มันแร่าธาตุแต่เราเห็นเป็นทองเดี๋ยวนี้คนที่หลงทองโดนไปก็ทองปลอมก็เป็นแถวเลยตอนเนี้เห็นไหมทีนี้นี่เราต้องรู้ของจริงมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติน่ะมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อคิดคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไอ้ดอกไม้นี่ ดอกไม้ที่เขาบอกให้ไปดูที่หลวงพ่อพูดบอกว่ามันดอกอนิจจังดอกอนิจจังทั้งนั้นเลยมันก็ดูดแสงเหมือนกันมันได้รับแสงมาจากดวงอาทิตย์สีเขียวสีเขียวก็มีเดี๋ยวนี้ดอกไม้สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินสีกราบสีอะไรตัวมันก็รับแสงมาจากดวงอาทิตย์หมดแต่แล้วก็เก็บไว้พอเก็บไว้มันเก็บไว้ไม่ได้นานเพราะมันเป็นดอกไม้นี่ ออได้วันสองวันมันก็เหี่ยวมันก็เฉาแล้วมันก็เกิดใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันเก็บเก็บแสงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยคือมันเก็บแสงมันเก็บแสงได้เป็นก้อนหินที่มันเก็บแสงได้เนี่ยไหนมันมีค่าที่ตรงไหนเราไปให้ค่ามันเองว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมากก็เลยเอาเงินเอาทองนี่ไปกองไว้เลยแต่ใครมีเพชรเม็ดงามงาม มีเพชรโตโตโอ้ยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระชาชมหากษัตริย์แล้วอย่างนั้นเห็นไหมนี่แหละมันเรียกว่ามันมีโรคอยู่อย่างหนึ่งโรคแห่งความยึดมั่นถือมั่นทีนี้พระรัฐบาลอ่ะพอคุยกับโยมพ่อคุยกับเศรษฐีคุยกับภรรยาของเศรษฐีคือยมแม่แ็จแล้วก็ไปบินตบาดพอบินทบาดพอจะกลับ เขาบอกว่าลูกอย่าไปเลยเปิดเสื้อลําแผนทางนี้ก็เพ็รนินจินดาไอน้นกอดทองยองเต็มไปหมดสองข้างทางเอา้าบอกว่ามา่โยมไม่เอากับก้อนหินกับไอ้เพื่อแร่าาธาตต่างๆนะจะไม่ไปหลงสิ่งเหล่านั้นแล้วเอา้าทำยังไงทีนี้วางแผ่นเลยนะสุดท้ายแนละ้ววางแผน่นพอวางแผ่นสุดท้ายไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็เรียก พัรยากี่คนกี่คนก็ให้ออกมาหมดมาถึงกับคนนั้นก็จับจีวรคนนี้ก็จับแขนจับขาท่านมีฤทธิ์นี่ท่านได้ฤทธิ์นี่แต่ฤทธิ์ท่านก็เหาอเลยห่ไปเลยทีนี้ตั้งแต่นั้นไม่กลับบ้านเลยไม่กลับบ้านเลยนี่ท่านเป็นพระอรหันแล้วเป็นพระอรหันท่านมีฤทธิ์ท่านมีฤทธิ์เรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ทีนี้ฤทธิ์ก็มีหลายอย่างเราอย่าเพิ่งไปหลงฤทธิ์นี่ คือคนสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้านะเขาเรียนเขาเรียนเป็นฤาษีชีไพรเขาก็ได้ฤทธิ์ได้ฤทธิ์ทางนั้นแต่ไม่เป็นพระอารหันต์ที่ได้ฤทธิ์เป็นพระอารหันต์ก็ได้เป็นพระอารหันต์ถ้าพระอารหันต์องค์นั้นท่านชอบเรื่องฤทธิ์เรื่องถ้าเป็นพวกเราก็ชอบของขลังอะไรต่างๆอย่างนี้ชอบของขลังชอบ ฟันไม่ก้าวยิงไม่ก้าวแทงไม่ก้าวนี่ทีนี้ไปปฏิบัติธรรมถ้าไปปฏิบัติธรรมคนนั้นจะได้ฤทธ์ได้ฤทธ์แต่พอไปได้ฤทธ์ข้าวเอา้าไม่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทีนี้พอไปหลงฤทธิ้ตกลงได้แต่รางวัลข้างเคียงไม่ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็คือเป็นพระอาหารหันต์นี่เราไปชอบฤทธ์ไปชอบฤทธิ้เดินบนน้ําได้อะไรได้เขาแสดงนั่นเขาแสดง เป็นเป็นการแสดงแต่ไม่ใช่เรื่องของการดับทุกข์ไอ้นี่พระบางรูปท่านไปปฏิบัติตารรมวันนี้อยากจะแสดงฤทธิ์เพราะว่าอย่างนั้นคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อไปเดินบนน้ำก็แต่ว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ไปเดินบนน้ำโ อ, โอ้พระองอ์นั้ น, เ ด, นเดินบนน้ำได้โอ้ยไปกันใหญ่เลยนี่มองคนตื่นข่าวแล้วไปพรานานๆเขา ท่านก็ไม่เอาแล้วหนี้เลยทีนี้หนีมีอยู่รูปหนึ่งเดินบนน้ําได้พอเดินบนน้ําได้ทีนี้โอ้มันไม่ใช่แล้วอยู่มาอยู่มาคนนั้นก็นับถือคนนี้ก็นับถือคิดว่านั้นเนี่ยพระอาหันแล้วป่ไม่ใช่ท่านดูเลยไม่ใช่เข้าไปอยู่ในถ้ำตอนนี้ก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่บอกตัวเองว่าไปอยู่ในถ้ำสักสามปีปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเนีสักสามปีอยู่ในถ้ำ นี่ตอนนี้ยังยังไม่ออกยังไม่ออกจากธรรมแต่ว่าก็ออกมาบิณฑบาตกนะินาหารตามปกตินี่ฤทธิ์มันทําอะไรไม่ได้หรอกนี่สู้ธรรมาริษไม่ได้นี่ที่หลวงพ่อแสดงนี่เรียกว่าฤทธิ์ของพระธรรมฤทธิ์ของพระธรรมอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมาริษธรรมาริษอย่างนี้แหละเฮนี้เป็นอันว่าเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นน่ะก็จบเนี่ยจบ อะไรอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หนึ่งธรรมชาติสองกฎของธรรมชาติธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นชีวิตก็ดีที่เป็นวัตถุก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเมื่อเรากล้าไปยึดมั่นถือมัน่นเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่ทีนี้เรื่องของญาสาคุลบทก็เหมือนกันเหมือนกันอีกเลย ย่าสาคุลระบุตรก็เป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีก็มีภรรยาหลายคนลูกก็ทะเลาะกันเมียก็ทะเลาะกันโอ้ยเป็นยังไงเครียดเครียดเครียดออกจากบ้านทีนี้ออกจากบ้านก็ออพูดไปเรื่อยเลยละเมอแล้วตอนนี้ละเมอละเมอไปแล้วมันวุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้า ตอนนั้นพระองค์เกิดขึ้นมาใหม่ๆและพระองค์ก็มีภิกษุปัญจวคีให้ภิกษุปัญจวคีนั่นแหละบอกว่าพวกเธอไปเพราะปัญจวคีก็เป็นพระราหันกันหมดแล้วตอนนั้นอย่ากลยตวนอีกครั้งหนึ่งพอเป็นพระราหันกันหมดแล้วพระองค์ก็บอกว่าพวกเธอไปไปทางหนึ่งก็รูปหนึ่งทางหนึ่งก็รูปหนึ่งอย่าไปทางเดียวสองรูปให้ไปเผยแผ่ธรรมะนี่แหละ เราเองก็จะไปอีกทางหนึง่งพระองค์ก็มาทางหนึง่งมาทางหนึ่งก็นั่งที่ป่าละเมะอะ่นั่งนั่งทาไมก็อยู่กับสุนยตานั่นแหละอยู่กับความว่างนั่นแหละอยู่กับความว่างจากตัวตนจิตก็ว่างจากตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนพระองค์ก็ต้องคิ ด, ดว่าเราจะไปโปรดใครที่ตรงไหนวันนี้อา้าวยาจาคุลบทก็ที่นี่วุ่นวายนาะที่นี่ขัดข้องหนาะ ถ้าเราไปได้ยินว่าคนนี้มันบ้านี่มันบ้าแลว้วมันอะไรก็ไม่รู้เดินบ่นอยู่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ว่าคนนี้เครียดหนักก็เรียกมาบอกว่าที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายท่านจงมาที่นี้เธอมาที่นี้เธอเอา้าวยะถาคุณบุตรได้ยินพอได้ยินก็เป็นยังไงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไอ้นี่เรานี่ก่อนที่จะไหวก่อนที่จะกังทำก่อนที่จะทํากิ จ, จกรรม อะไรต่างๆก็จ้งรับชีนรับประรัตนไตรัยเราไม่รู้ว่าพระรัตนไตรัยนั่นคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรเราก็ว่าละเมอละเมอไปอย่างนั้นพุทธังจรนังคัจจามิธรรมังจรนังคัจจามิสังขังจรนังคัจจามิครั้งที่สองครั้งที่สามเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม นี่เราว่ากันจนชินข้าวกระดูกดำแล้วแต่จแล้วอันเดอร์สแตนไม่มีวิสต์ดไม่มีไม่มีเลยว่ากันแต่ปากนี่เรียกว่าว่ากันแต่ปากทีนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีไม่ใช่ว่าพอไปถึงท่านแล้วก็ไปถึงนโมตัดใจและวพุทธังจานังกจากมิไม่ใช่ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดถามว่าทําไม เธอมีความทุกข์เรื่องอะไร <S <S นี่เรื่องของความทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่นี่ต้องตั้งต้นที่ทุก ข, ขังคือความทุกข์ความทุกข์มันต้องมาจากเหตุมันเหตุมันมาจากไหนก็ <c oughs> <c oughs> เอาไปทีนี้ยาสาวุลระบรก็ชี้แจงบอกเหตุให้พระพุทธเจ้าเข้าใจว่าข้าพระองค์นี่มีทรัพย์สมบัติยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า มีทรัพย์สมบัติแปดสิบโกดมีภรรยาเต่านั้ น, น, นเต่านั้นมีลูกเต่านั้นโอ้แต่แล้วมันก็ทะเลาะเบาแวงกันไม่ได้ตั้งสติเลยก็พระองค์ไม่ทราบว่าจะทำยังไงพระองค์เลยตรัดว่าเธอนี่ยึดมั่นถือมั่นมากสามีเออภรรยาก็ดีอะไรก็ดีเธอจะต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจงังมันไม่เที่ยง ต่อไปก็ภรรยาก็ดีลูกก็ดีพ่อแม่ก็ดีต้องอเรียกว่าต้องอป่วยไายถายตายจากกันไปอะไรกันไปไม่มีอะไรที่แน่นอนตัวเธอเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยอ ย, อ ย, อยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เรียกว่าอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้น น, นี่ภาษาบาลีว่าสัพเพธรรมานาหลัง อาภินิเวศยะสิ่งทั้งปวงไม่กวนข้าไปยึดมั่นเถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนนี่มีเท่านั้นเพราะว่าประโยคนี้ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีคนหนึ่งข้าไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าทำรร ม, มากของพระองค์นี่มีมากมายกายกองเหลือเกินไม่ทราบว่าจะไปจับเอาที่ตรงไหน พระองค์นั้นก็มาพูดอย่างหนึ่งพระองค์นี้ก็มาพูดเรื่องหนึ่งก็ในเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องโอ๊ยไม่ไหวไม่รู้จะเอาที่ตรงไหนเนี่ยสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ให้ธรรมะอะบางทีก็พระสามรูปโอ้หลวงพ่อก็เลยเบือ่อเหมือนการสามรูปสี่รูปห้ารูปอะเหมือนเราป้อนอาหารให้เด็กอย่างนั้นเด็กปากมันยังแคบอดี๋ยวแล้วป้อนอาหารคําโตให้ พอน้ำัวให้ออาอาหารข้าวไปในปากยังไม่ทันเคี้ยวไม่ทันกลืนเลยป้อนคำที่สองเข้าไปอีกเป็นอะไรเด็กมันก็ก้างตายเลยทีนี้เหมือนกันน่พระองค์นั้นมาถึงก็พูดพูดพูดพูดพู ด, พดเอายังไม่ทันได้ย่อยยังไม่เป็นอันเด e r s t a ตนวิ s ดั m ปัญญายังไม่เกิดสักนิดหนึ่งอ้อนเข้าไปอีกแล้วองค์น้่นไปป้อนเข้าอีกแล้วเอา ยังไม่ได้ย่อยเลยองที่สามมาป้อ น, นอีกแล้วนีหลวงพ่อว่านี่อย่างนี้มันแขวนแล้วนี่แควชั่นแล้วอย่างนี้ไม่ได้พระองค์ไหนดังก็เอามาองค์ไหนดังก็เอามาโฆษณาให้ญาติโยมมาเต็มล้นเลยเพื่ออะไรเนี่ยมันเพื่ออะไรไปคิดดูเนี่ยมันเพื่ออะไรอย่างนี้ทีนี้พระก็เอาใหญ่เลยพระก็เอาใหญ่หลวงพ่อคิดว่าเอออย่างนี้ หลวงพ่อเห็นว่าญาติโยมก็ได้ประโยชน์น้อยมากแต่น้อยมากทีนี้ต้องคัดต้องเลือกกันอีกอ้อเลือกพระองค์นั้นโลเออคงจะดีดีพระองค์นั้นไปไปมามาเป็นยังไงไม่นานโยมก็เลยเอาไปเป็นลูกเคยเออจะเลยเอาจบจบจบไปองค์หนึ่งทีนี้องค์ที่สององที่สามนี่อย่างนั้นเดีย๋ยวเอากันอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นแควชั่นไปเลย ควชั่นหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ถูกแล้วหลวงพ่อจะคนหนึ่งสองคนก็ได้ห้าคนก็ได้เอาคุณภาพปริมาณไม่เอาบอกที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกบอกอย่างนี้บอกว่าถ้า3ามสี่ห้าเนี่ยก็อย่านิ้มต์หลวงพ่อมาเลยนะหลวงพ่อลูปเดียวพอถ้าหากจะว่าจะเอากันแบบควชั่นอย่างนั้นก็เอากันไปเลยแต่ไม่ตรงนี้มตนหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่เอาอย่างนั้นโยมก็ไม่ได้ประโยชน์นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย เฮนี่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมแก่ยะชาคุณระบุยะชาคุณบุเพราะตอนนั้นมันเต็มปรีแล้วเต็มปรีแล้วนี่เราอย่าไปเกลียดนะความทุกข์นะอย่าไปเกลียดความทุกข์ตอนที่มันมีความทุกข์ที่มันเครียดมันจะฆ่าตัวตายมันจะผูกคอตายอยู่แล้วโอ้มันมีทางออกไปหาพระดีกว่าหรือว่าไปปฏิบัติดีกว่าไปปฏิบัติปฏิบัตนะิหาให้รู้จริง พระองค์ไหนที่รู้จริงนี่หลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่โยมอย่าไปเชื่อหมดต้องเลือกเลือกว่าของพระองค์ไหนปฏิบัติแล้วดับทุกได้เอาพระองค์นั้นไม่ใช่เอาพระเอาธรรมะเอาธรรมะของพระองค์นั้นของพระรูปนั้นแหละแต่ถ้าปฏิบัติแล้วดับทุกไม่ได้กิ้งไปเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามันลกสมองทําไมนี่ต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านทุกคนต้องฉลาดในเรื่องนี้เละต้องฉลาด ถ้าเอาไปดับทุกของเราไม่ได้แล้วเอาไปทําไมย์มันรกรุงหลังเอาไปทําไมยาา์เห็นีหมญาจักุลบทก็วางพอควางเสร็จแล้วก็ข้าวใจพอเขาก้าใจเสร็จแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็เบาทีนี้เมื่อก่อนมันมาหนักหนักเรียกว่าหนักจนบอกไม่ถูกพอได้ควางพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมก็เาบาลงเบาลงเบาล ง, าลงคุยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไ ป, งไปอ๋อ จนเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่แปลว่าเว้นเว้นเว้นพอเว้นไม่เอามาแบกมันก็เบาแหละทีนี้ที่ไม่เป็นพระอรหันต์เพราะแบกรู้จักแบกอย่างเดียวบอกตัวเองแบกลูกแบกหลานแบกเหยนแบกทรัพย์สมบัติแบกบ้านแบกช่องแบกตัวกูของกูแบกอยู่นั้นทีนี้พอได้ฟังพระพุทธเจ้าติ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเบาพอบอก็เป็นพระอรหันต์ในที่นั้นเลย พอเป็นพระอาารันเป็นยังไงทีนี้ก็พุทธังจระนังกัจฉามิข้าพระเจ้าขออพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจออกมาไวเ้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพอจะยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมากว่างทิ้งไปจะยึดมั่นถือมั่นอะไรกว่างทิ้งไปเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเป็นสุญญ า, ามันว่างจากตัวตนนี่ จิตที่ฉลาดแล้วจิตที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาเห็นก็เป็นอย่างนั้นได้ยินก็เป็นอย่างนั้นได้กลิ่นดิ้มรสสัมผัสรู้ธรรมารมณ์ทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนเขาจึงเปล่งวาจาว่าพุทธังสรรนังคัจฉามิานั่นข้าพเจ้าขออพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่ง พอต่อไปก็ทำมังกรนังคัดฉามิโอ้ยพระธรรมของพระองค์นี่วิเศษวิโสไม่มีอะไรเท่าแล้วมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีสารพัดอย่างมีแต่หนักอย่างเดียวยึดมัน่นถือมัน่นหนักอย่างเดียวนี่ก็เลยโอย้พระธรรมนี้พิสดารจริงพิสดารจริ ง, รงวิเศษจริงวิเศษจริงก็เลยเป่งวาจาว่ า, วาทำมังกรนังคัฉามิพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะพระธรรม ก็พระธรรมทีนี้พระธรรมอยู่ในใครแล้วคนนั้นศักดิ์สิทธิ์คนนั้นศักดิ์สิทธินน์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงศักดิ์สิทธิ์เดียวไม่ใช่ไปบนแล้วก็รับไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่มีความทุกข์นั่นพุทธังรนังกัตฉามิครั้งที่สองครั้งที่สามทีนี้คนเมื่อก่อนเป็นยังไงปอควา้าแรก ปาเปลี่ยงลงมาพุทธังธรรมังพุทธังธรรมังพุทธังธรรมันี่แสดงว่าเขาภาวนาอยู่ในใจในใจของเขาก็มีแต่พระพุทธประธรรมแล้วก็พระสงเท่านั้นเองก็เลยเลยเปล่งวาจาว่าพุทธังธรรมังแล้วก็สังขังทีนี้ <S <S เขาก็เปล่งวาจาว่าธรรมังสระนงังคัจฉามิข้าพเจ้าจะเอาพระธรรมนั้นแหละมาไหว้ในใจไว้ในใจปฏิบัติจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรม พอครั้งที่สมก็ว่าสังคังจรรนางคัจจามิข้าพเจ้าขออพระอรียสอหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายเอามาเป็นที่พึ่งที่พึ่งนี่คือสรรนางเพราะฉะนั้นสรรนางนี่เราอย่าดูถูกนะจรรนางนี่คือพระนิพพานนี่แหละคือพระนิพพานอยู่ในฐานะของพระนิพพานองค์หนึ่งองค์หนึ่งเาะฉะนั้นเพะว่าพุทธังสรรนางคัจฉามิ คิดถึงพระนิพพานพระธรรมพระสงค์ก็เป็นพระนิพพานพระสงฆ์ที่เป็นพระรหานท่านก็มีพระนิพพานอยู่ภายในพระนิพพานคือความสงบคือความสงบเย็นความสงบเย็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อหนังของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่จีวรที่พระองค์ห่มอยู่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อหนังของพระองค์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แต่ว่าจิตของพระองค์ที่สงบเย็น พระพุทธเจ้าอยู่ที <Wow. S 2> ่ตรงนั <go> sí? ้นไอ้น <go> ี่พอพระอะไรมีพระรูปหนึ่งพระองค์นั้นก่อนไปนั่งมองมองมองมองพระพุทธเจ้าเป็นตุ๊ดพระองค์นั้นเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดนี่เป็นอย่างก็ไปนั่งมองอยู่อย่างนั้นนั่งมองอยู่นั่งมองเมื่อก่อนก็ไม่ได้บวชไม่ได้บวชก็ไปนั่งมองมองมองมองอยู่บวชดีกว่าได้นั่งมองสบายใจมากไปนั่งมอง มองที่นี้มองมองมองพระองค์ก็รู้แล้วพระองค์ก็ไม่พูดอะไรจะเห็นว่าบารมียังไม่พอก่อนบารมียังไม่พอยังไม่พอที่นี้พระองค์ก็ปล่อยไปอย่างนั้นก่อนนั่งมองอย่างไงก็พระองค์ก็ปล่อยไปอย่างนั้นก่อนก็ไปรักพระพุทธเจ้ามากนี่พออยู่มาอยู่มาอยู่มานี่สงสัยจะฝากรักพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดเออ เรารักอยู่ข้างเดียวเหมือนพวกตุ๊ดทั้งหลายนั่นแหละเห็นไหมไปฆ่าเพื่อนตายเลยพวกตุ๊ดพวกทอมนั่นแหละฆ่าเพื่อนตายเลยมันเพศเดียวกันไปรักกันยังไง ร, รักด้วยธรรมะก็ดีที่ได้อย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะไปรักระหว่างเพศอะไรมันไม่ใช่ทีนี้พระปอบวชกันแล้วพระคนั้นปอบวดกันแล้ว ก, ลก็นั่งมองๆว่พระพุทธเจ้าไม่ตอบรับเราเลยไม่ตอบรับเราเลยทีนี้ก็อืแต่ว่า ถ้าอย่างนั้นก็ลาพระพุทธเจ้าไปไหนโอร่นจะไปกระโดดเหวให้ตายนั่นจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปกระโดดเหว้มันลําบากหรอกเดี๋ยวนี้ก็เลยฆ่าตัวตายยิงหัวตัวเองเยอะแยะมีทุกวันเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยนี่ไพวกตุดพวกทอมทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นทางนั้นเนี่ยอันี้เป็นยังไงทีหลังก็พอจะไปกระโดดเหวไปถึงเห็นเ ห, นเหนวก็กลัวตายทีนี้ไม่กล้ากระโดดอพอกลัวดตายก็โอ้โอ เหมือนกับว่าประทับใจในพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของเราเรามีความทุกข์แล้วในตามันก็เบลอเบลอก็เห็นพระพุทธเจ้าเอานโอ้พระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วก็เลยกลับหลังดีนี่กลับหลังเราก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดจะมาจับริมจีวรเรามาจับเนื้อจับตัวของเราก็ไม่ถึงเราหรอก พวกนั้นต้องถึงอะไรถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงพุทธทังตรนังกัจฉามินั่นแหละต้องเอาเนื้อในของพระพุทธเจ้าคือความสงบเย็นนั่นแหละความสงบเย็นที่นี่หลวงพ่อพูดว่าหนึ่งนิพพิทาความเบื่อหน่ายสองวิราคะวิราคะจางกลายคือไม่มีราคะราคะในตัวเองก็ดีราคะในระหว่างเพศก็ดีราคะในวัตถุสิ่งของก็ดี ก็ไปนั่งจองอยู่ได้นั่งจองอยู่คนที่จองพระก็ไปนั่งจองรองรองรององกตาร์ระจันน่ไปดูดินั่งจองกันอยู่นั้นเห็นอะไรเห็นเศษดินเศษหินทองเหลืองโอ้หลวงพ่อไม่จักจิตหลวงพ่อไม่จักจิตเหรอลวงพ่อเศกดินเศกหินไม่ได้แต่หลวงพ่อมีหน้าที่เศกคนี่เห็นไหมนี่หลวงพ่อเศกคนเศกคนให้เป็นมนุษย์ เสกคนให้เป็นมนุษย์นี่หลวงพ่อมีหน้าที่เสกอย่างนี้เราก็เสกดินเสกหินเสกเหล็กน่ะเสกกันเอะช่วยเสกกันเอะหลวงพ่อเสกไม่เป็นอย่างนั้นเสกไม่เป็นเสกคนอย่างเดียวนี่จนกระทั่งว่าคนนั้นกลายเป็นวิราคะาวิราคะปราจจจากราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งในทุกสิ่งหนึ่งนิพพิทาสองวิราคะ สานิพิทานิโรอวิราคะแล้วที่สก็คือปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางคือเสร็จแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมัน่นเวลาคะเวลาคะแล้วก็นิโรธะนิโรธ ะ, ะคือดับดับสิ่งนั้นเสียนิปิทาวิราคะวิมุตเรียกว่าวิมุติวิมุตคือหลุดพน้นหลุดพน้นทันทีเลย ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรปุ๊บเดียวมันจะมาปุ๊บเดียววิมุตต์วิมุตต์นิพพิทาเวลาฆาวิมุตต์วิมุตต์แล้วก็วิสุทธ์วิสุทธ์ก็คือจิตนี่บริสุทธิ์เจตบริสุทธิ์ปองใสนี่เรียกว่าเย็นยังไม่ถึงเย็นยังไม่ถึงเย็นทีเดียวเรียกว่าวิมุตต์นี่ไปตามลําดับตามลําดับนิพพิทาเวลาฆาวิมุตต์คอวิมุตต์แล้วก็วิสุทธ์วิสุทธ์ก็คือบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ กายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์สิ่งข้างนอกเห็นหมดเลยนี่คือวิสธรมและนี่คือปัญญาเลยวิสุทธินิพิตาวิราคะวีมุตแล้วก็วิสุทธิ์ไม่พอไม่พอว่อาวิสุทธิ์แล้วก็สันติที่นี้สันติสันติคือสงบสงบสันติสงบสำนักวิปัสสนาหลวงพ่อชื่อว่าสำนักวิปัสสนาวังสันติบันพุ วังสันติบันพศวางสันติบันพศคือมันเป็นวังที่พอเราขึ้นไปข้างบนมันสงบเย็นมันสงบมันสงบเพราะว่ากว่าที่หลวงพ่อจะไปสร้างสำนักวิปัสสนานี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ออกจากสวนโมกแล้วโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนอบอกตัวเองเองเราจะไปทางไหนไม่มีจุดหมายปลายทางเลยแต่เราต้องไปเราต้องไปจะไปอยู่วัด ที่เขาสร้างเป็นวัดไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปอยู่ยังไงอะก็มีความยึดมั่นหรือมั่นมากเขาเพื่อลาเพื่อยศเพื่อฉันและเิมเพื่อความสุขเราไม่ต้องการไปอยู่ไม่ได้จะตั้งสํานักขึ้นมาทีนี่ก็เอาไปปักกรดที่นั้นไปวัดนี่ไปวัดโน้นไปป่าช้านั่นป่าชานี่อธิษฐานจิตทีนี้อธิษฐานจิตว่าโอถ้ากับเจ้ามีโอกาสที่จะรู้ธรรมด้วยตัวเอง แ้จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอให้ข้าพเจ้าพบสถานที่ที่เหมาะสมจักที่หนึ่งเถิดนี่ทำอย่างนั้นพอก่อนนอนก็ไหวพระสวดนอนแต่แล้วก็อธิษฐานจิตทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งจนนิมิตเห็นขึ้นมาเห็นสถานที่นั้นเนี่ยที่หลวงพ่ออยู่เดียวนี้ไปมาม า, มาเดีวยวที่กรุงเทพนี้ก็มามีหมอคนหนึ่งชื่ว่าหมออรุไรวัน อ่าเป็นแพทย์แพทย์อุไรวันตอนที่หลวงพ่อไม่บวชอยู่สวนโมกข์เขาก็ช่วยเหลือหลวงพ่ออยู่มีอะไรอยู่ทีนี้พอบวชแล้วเขาก็อยากจะให้มาอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้เกามีบ้านบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่มีคนอยู่จะให้มาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ก็มีที่ดินอยู่ก็ร่ํารวยมีไอ้โฉนดที่เขารับรับจำนำแล้วอุย้ยเป็นตู้เลยหลวงพ่อไม่ไม่ไม่เลยที่อยู่พออยูย่ๆนี่ ต้องเนินตาหน่อยแลย้วไม่เนินตาไม่ได้ท่านขี้เหนียวหมอนั่นแหละขี้เหนียวหลวงพ่ออยู่ก็เอานั่นไปถวายเอันี่ไปถวายทํากองหวานทํำยังไงอะของหวานเอาไอ้แปง้งแป้งมันนั่นแหละแป้งมันจำปะหลังนั่นแป้งมันจำปะหลังเอามากวนกกววนนกว น, กวนแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลพอหวานหวานเอาไปถวายแล้วอู้ยขี้เหนียวถึงขนาดนี้ี่ขี้เหนียวอย่างมาก หลวงพ่อ่า้ที่ไม่ได้ดอกหลวงพ่อยู่ไม่ได้ดอกแล้วในกรุงเทพหลวงพ่ออยู่ไม่ได้หลวงพ่อต้องอยู่ป่าพระอย่างนี้ต้องอยู่ป่าก็เลยนั้นแหละไปไปไปไปไปหามาที่กรุงเทพไปที่เชียงใหม่ไปที่จันทบุรีไปที่ไหนที่ไหนปากใต้ก็ไปเพราะหลวงพ่ออยู่สวนมอกนี่หลวงพ่อรับแกบหลวงพ่อก็รู้จักคนมากพราะฉะ้นก็ไปทุกสถานที่ไม่พบไมพบก็ไปพบที่พัทลุงนั่นแหละ ไปพบที่พัะตะลุงใกล้ๆที่หลวงพ่อเคยอยู่โอ้พอไปถึงพอไปถึงยังยังไม่ยังไม่ขึ้นบนเขาหรอกยังไม่ขึ้นบนเขาพอไปถึงที่หน้าที่หน้าวัดเอุย้ยมันเย็นยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันซาบซ่านซาบซ่านไปหมดหลวงพ่อก็คิดในใจว่าใช่เลยตรงนี้นะน่าจะใช่น่าจะใช่ใชเอ๋อทีนี้ทํำยังไงไอ้ทางขึ้นมันก่อ็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีเด็กมาสามคน เรียกมาสามคนหลวงพ่อถามว่าโอ้นี่เธอมีเวลาหลวงพ่อไหมหลวงพ่อจะขึ้นไปกลางบนจะไปดูสถานที่แกก็บอกว่ามีมีไม่เป็นไรเออย่างนั้นเธอไปเอามีดเอาปรามามันขึ้นไม่ได้ทางมันรกว่าขึ้นไปกลางบนขึ้นไปถึงเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยมันเหมือนที่นิมิดเลยหลวงพ่อไม่กระโตกกระตากพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ทําพูดไม่ได้แต่ว่ามันเย็นในจิตเนี่ยมันเย็นนั่นเนี่คือสันติทีนี้เดี๋ยวนี้ ตอนที่ไปเนะ่ยมันมีแต่ป่าหญ้าคามีแต่อะไรคือมันเป็นภูเขาไม่ใช่ขึ้นไปเลยเป็นภูเขาอย่างนี้ขึ้นไปมันมีลานมีลานเนี่ยก็มียอดเขาสามด้านยอดเขาอยู่สามด้านขึ้นไปประมาณตัเจ็ดสิบเมตรกว่าๆทีนี้มันมียอดเขาแล้วมันมีพื้นพื้นที่ราบอยู่ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็วัดแล้วได้สิบแปดไร่อนะ่าก็กำลังทำ เป็นวัดได้ของพ่ออยู่ตอนนี้กําลังทําเป็นวัดอยู่นี่ที่นี้ถ้าไกลขึ้นไปโอ้ที่นี้มันส ง, งบจริงส ง, งบเย็นส ง, งบเย็นส ง, งบเย็นหลวงพ่อเลยตั้งจิตว่าสันติบรรพตคือเป็นภูเขาที่สงบขึ้นไปแล้วสงบนี่นมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าโยมไปที่พัทลุงน่ยโคตรชนาหน่อยไปปีพัทลุงนะหลวงพ่ออยู่กลางเมืองภูเขานี่ยมันอยู่กลางเมือง ข้างหน้าวัดเป็นไปหน่อยหนึ่งประมาณจาก500เมตรข้างหน้าก็เป็นบริเวณเป็นบ้าน100เมตรก็มีที่ว่าการอำเภอโรงเรียนเทศบาลหนึง่งมีสํานักงานเทศบาลก็เลยไปอีกนิดหนึ่งเป็นศาลากลางข้ามถนนไปอีกนิดหนึ่งเป็นโรงพยาบาลหมดเป็นสถานที่ที่จเจริญทั้งนั้นเลยแต่เมื่อก่อนไม่จเจริญอย่างนี้ของพ่อขึ้นไปอยู่เมื่อ พศ2 5 1 8วันที่23กุมุมภาพันธ์ขึ้นไปอนี้ตอนที่ขึ้นไปนะไปดูดูดู ด, ดูสังเกตการถสรจแล้วไอ้ที่ข้างหน้าก็มีบ้านเรือนก็ไม่กี่หลังลคนก็ทำไร่ทำนากันแต่หลวงพ่อคิดว่าต่อไปหลวงพ่อจะอยู่ใจกลางเมือง ตอนนี้ทางทิศตะวันตกก็อู้บ้านก็ขึ้นทีละสิบห้องยี่สิบห้องเต็มไปหมดข้างหลังก็เต็มไปหมดทางทิศตะวันออกก็เป็นตลาดเป็นอะไรต่อเลยแต่ข้างหน้านี่ข้างหน้าทางทิศใต้ตน่ะมันเป็นนั้นแหละเป็นสถานที่ราชการทางนั้นเลยราชการทางนั้นทีนี้บางคนก็คิดว่าได้ยินข่าวว่าวังสันตีบรรพตเขาเรียกกันว่าวังเนียงวังเนียง ทำไมถึงชื่อว่าวังเนียงอีกที่ชื่อว่าวังเนียงเนะ่ยเมื่อก่อนถ้าใครต้องการที่จะไปกินลูกสะตอกินลูกเนียงนะี่ยเขาไม่ต้องปลูกเราก็ขึ้นไปบนนั้นมันมีเป็นป่าเลยป่าลูกสะตอป่าลูกเนียงทีนี้พอมาทีหลังเขาก็มาตั้งตั้งไอเรือนจําอยู่ใกล้ๆเรือนจําก็อยู่ห่างไปหน่อยนึงตอนนี้เขาก็จะรื้อแล้วก็จะรื้อเรือนจนะําแล้ว ไอ้พวกนั้นแหะมันมาระเบิดหินบ้างแล้วมันก็มาขึ้นมาหาลูกสะตอลูกเนียงมันขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวมันก็โค่นต้นเลยหมดต่อไปอดทีนี้ไอ้สถานที่ที่ตรงนั้นก็เป็นป่าหญ้ากาป่าละเมะแล้วก็มีแต่หนามเหนิมอะไรทั้งนั้นเลยแต่หลวงพ่อไปถึงเห็นก็อุ้ยสบายใจใแล้วใจแล้วใจแล้วเหมือนที่เรานิมิตแล้วที่นิมิตยืดยาวอ่ะมันยืดยาวหลายเรื่อง ที่เห็นที่นั้นนั่นแนหะละหลวงพ่อก็เลยทําทําก็ชื่อว่าวังสันติบรรพตหรือสํานักวิปัสนาวังสันติบรรพตวัดวังเนียง อ, อําเภอเมืองจังหวัดพัตลุนีทีนี้ไอ้ที่ตัว อ, อําเภอก็ดีที่ตัวสาลากลางก็ดีเมื่อก่อนเขาชื่อว่าหมู่บ้านวังเนียงหมู่บ้านวังเนียงทีนี้มีพระรูปหนึ่งเขาก็เคยขึ้นมาอยู่พระเขามีสองคณะนะก็คือคณะ แต่ว่ามานิกายแล้วก็ธรรมยุทธธรรมยุทธ์เขาขึ้นมาอยู่เอ้าอยู่ไม่ได้เลิกไปมานิกายขึ้นมาอยู่ก็เลิกไปเลิกไปเลิกไปที่นี่เขาเลิกกันหลายครั้งแล้วพอถึงทีของหลวงพ่อหลวงพ่อขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่พอทํานั้นทํานี้ทําโน้ขึ้นมาอ่ามันมีปัญหามากอะหลวงพ่อมีปัญหามากบางทีก็นายกเทศตรมณีอ่าก็ไม่พอใจก็เป็นไข่ของธรรมยุทธ์เป็นลูกจิ์ของธรรมยุทธ์เขานี่ ตามที่จริงอะ่ะเวลาไกลก็ถามว่าท่านเป็นธรรมยุทธ์หรือเป็นมาหมานิกายหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นอะไรท่างมันเป็นรูปสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าว่าท่านสายหน่อยสายพุท ธ, ธาทาสไม้สายพระพุทธเจ้ามันโง่เนี่ยเห็นไหมมันตั้งสายขึ้นมาสายธรรมยุทธสายมาหมานิกายสายของพุท ธ, ธาทาสสายอาจารย์มั่นนั่นเลยอะไ ร, ะไรก็สายประธรรมทางนั้นเลยพวกนี้จิตใจอ ย, อยังเรียกว่ายัางสั้นยังสั้น หลวงพ่อไปประเทศจีนสามครั้งแล้วไปทิเบตรครั้งสุดท้ายเนะี่ยไปวัดโอ้ข้าวไปที่ไหนอวัดหมหาญาณข้าววัดนั้นวัดนี้วัดโน้นโอ้กราบกันพอเห็นหลวงพ่อญาติโยมเนี่ยเขข้าวไปปฏิบัติธรรมเขาข้าวปฏิบัติธรรมพอเห็นพระเดี๋ดีใจไหวพระกันอะไรกันเนี่ยเราไม่มีขวายหน่อยขวายพระธรรมคือพระธรรมอย่างเดียวฉะนั้นที่หลวงพ่อพูด เริ่มต้นว่ า, านิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิวิสุทธิก็คือบริสุทธิวิสุทธิสันตินี่ตัวนี้คือสันติสันติสงบสงบสันติสงบไอ น, นี่สงบคืออะไรสงบนั้นคืออะไรนี่หลวงพ่อสร้างวิหารสร้างวิหารไว้ที่วัด ครั้งจุดท้ายแล้ววิหารก็หลวงพ่อไม่ได้สร้างเองแล้วนี่เป็นโยโมแม่ของอาจารย์ประเสริฐนี่แหละขอไปก้าวโคดปฏิบัติธรรมกันก้าวโคปฏิบัติธรรมกันสามสิบคนสาสิบคนที่นี้ขอบอกออกจากกโคดหลวงพอ่อจะทอดกระถิ่นไหมพอหลวงพ่อไม่ทอดแล้วเบื่อแล้วกระถิน่นอ่านี้แล้วโยมจะทอดทาไมเพราะว่าจะทอดได้หลวงพอ่อได้ จะโทษทำอะไรหลวงพ่อก็พูดพูดพูดพูดพูดให้ฟังถ้าจะโทษก็ทำสิ่งนี้แต่ไม่ใช่หลวงพ่อทำนะโยมต้องทำเองหลวงพ่อแม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้ววัตถุนี่พอแล้วอ่โยมก็สร้างสร้างพอสร้างทีนี้ก็คือมีพระบาทจำลองพระพุทธบาทจำลองก็จำลองมาจากพุทธกยาน่ะก็เป็นนิมิตอีกนั่นแลหละหลวงพ่อนี่มั น, นมจงางนิมิตจริงๆเลยท่างนิมิต อนี่ไม่เห็นพระพุทธบาทเห็นอะไรเนี่ยมันยาวเรื่องมันยุดยาวก้ยว่ากันที่หลังนั้นถ้ามีเวลาทีนี้ก็ต้องการที่จะสร้างวิหารเอาพระพุทธบาทนั้นแหละพระพุทธบาทจําลองเนี่ยไม่ได้มาซื้อที่แถวกรุงเทพหรอกโอ้ไปทําที่สระบุรีเอาหินอ่อนทํากับหินอ่อนเห็นเกณฑ์ทีนี้ทําเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่กลางแจ้งเราก็ก็บอกว่านี่ถ้าหากว่ามีพระพุทธ ตบาดขึ้นมาแล้วมีที่ไวอย่างนั้นหลวงพ่อก็สบายใจหลวงพ่อตายก็สบายใจมีที่เรียบร้อยมีที่ตังทีนี้ก็นั่นอย่างนั้นก่อนยอมก็บอกว่าตกลงตกลงเขาก็เลยเรียอะไรกันอะไรกันโทษกระถิ่นโทษกรถิ่นได้ไปสามล้านสามล้านก็เอาทำไปทำไปทำไปงอกไปเป็นสี่ล้านทำหกเดือนเสร็จ นี่ถ้าโยมไปปฏิบัติธรรมที่นั้นก็ไปเห็นเน่ยเอาทีนี้เรื่องของความเย็นสันติคือความสงบนิพพานนะ่ยคือเย็นสงบแล้วก็เย็นสงบเย็นรางวัลเย็นทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก็นอนหลวงพ่อนอนนอนแบบะตะแคงข้างแล้วนอนก็ภาวนาภาวนาว่าสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็น ว่างสงบเย็นว่างสงบเย็นว่างสงบเย็นหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกสงบเย็นนอนนอนนอนนอนแล้วมันก็เย็นขึ้นมาทีนี้จิตมันก็สงบแล้วมันก็เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นย็นอนอยู่นานน่ะนอนตะแงคงข้างนอนตะแงคงข้างขวาโอ้นอนจนเมือนอนเม่อยจนเมื่ยก็ถามทีนี้ถามขึ้นมาในใจนั่นแหละถามว่าแลี Advisor, ้ยตะแคงข้างซ้ายได้ไหม <c oughs> ในในนั้นแหละก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรได้เอาแต่แกงกลางซ้ายออกกลางซ้ายก็นอนสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเราจนจนเมื่อยอีกเมื่อยก็ถามว่าแคก็ถ้านอนหงายได้ไหมในนั้นก็บอกว่าในนั้นก็คือยานน่ะเนี่ยานน่ะเนี่ยยานน่ะก็จะตอบตอบว่านอนหงายก็ได้แต่ว่าต้อง เอามือขวาทับมือซ้ายไหวที่หน้าอกอย่างนี้ไหวหน้าอกอย่างลองเอามือขวาทับมือซ้ายอ่ะก็นอนสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นอยู่นานหลวงพ่อก็ถามถามในยานอะไรเนี่ยเรียกว่าก็เรียกว่าเกิดยานขึ้นมาอย่างนั้นถามว่าแล้วนี่มันอะไรเนี่ยปีข้าวหรือ ว, ว, ว่าอะไรก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปีข้าวหลวงพ่อก็มาพิจารณาทีนพิจารณาว่าอะไร โอนี่ยานเกิดยานขึ้นมาเนี่ยจักกุงอุตปาทิยานังอุตปาทิมีมีเวลาพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่านี่เวลาเนี่เกือบหกโมงแล้วจักกุงอุตปาทิยานังอุปาิอุตปาทินี่เกิดยานจะว่าเกิดยานเพราะเกิดยานขึ้นมาอย่างนี้อรองพ่อก็ออกออกจากยานนะั้นออกจากานันเอ๊ะเมื่อก่อนนี่เราไม่ชอบเลยคือรองพ่อว่าเราไม่ชอบเลย พระที่ชอกนอนเนี่ยไม่ชอบมีแต่พระหลวงตาเลยฉันแล้วกานอนฉันแล้วกานอนพระนอนไม่ต้องสร้างแล้วมีเยอะแล้วไม่เยอะแล้วไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเนี่ยกเข้าไปในวัดไวเนี่ยวดนั้นพระอายไปไหนหมดเป็นพระนอนกันหมดนัน่นอะไรยังไทีนี้หลวงพอ่อโอ้อยากจะสร้างพระนอนแล้วทีนี้ทํำยังไงหลวงพ่อก็ไปหาดใหญ่ทีนี้ไปหยาดใหญ่ไปดูมันมีร้านหนึ่งร้านนั้นก็เป็นร้านที่หลวงพ่อสนิทมาก อยู่ที่เชิงสะพานที่ามขวากกามรถไฟหลวงพ่อก็สนิทกันไปถึงก็เลยบอกพระนิดาก็ชื่อพานิดาพระนิดาพระนอนมีไหมก็ขายพระมากเต็มไปหมดอ่ะมีมีมอ๋อเนี่ยหลวงพ่อต้องการพระนอนนะก็บอกว่ามีสองอย่างพระนอนอ่ะพระนอนมีสองสองอย่างจะเอารูปไหนก็ได้รูปไหนก็ได้ทีนี้ก็เลย เขาก็เลยเชียร์จะเอารูปนี้ก็ไม่ยาวอะไรเราแค่แค่ศอกเดียวเองแค่ศอกเดียวเองทีนี้บอว่าเนี่ยหลวงพ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มานะก็เลยอยากจะมาซื้อพระนอนก็บอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกถวายไปเลยก็กดถวายทําไมก็าจึงถวายอะเรื่องมันยาวเนี่ยหลวงพ่อไปทําปัดปอดพอไปทําปัดปอดแล้วก็ฉันเป็นเสร็จก็มาที่ร้านก็ พนิดาหลวงพ่อยังไม่ได้จันของหวานเลยจะมาจันทร์ของหวานเขาก็สั่งของหวานสั่งของหวานจันเสร็จไ อ, ไ, อไอ้ที่ที่ไทปทําพาสปอร์ตเนี่ยมีผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ขายบัตรกาชาต์ <c oughs> ขายบัตรกาชาติที่นี้ก็บอกหลวงพ่อซื้อบัตรกาชาติไหมหลวงพ่อก็คือเสียข้าพารปอร์ตก็ยื่นซองให้เขาไปยื่นทั้งซองนั่นแหละนี่ก็บอกหนูเอาแล้วนี่ยบัตรเราเองไม่มากหรอก โอ้เดยเอาไปทํำเมยเดี๋ยวถูกแล้วมันยุ่งเออเอาแล้วหนูเอาแล้วเอาแล้วทีนี้ก็เอออ๋อๆไม่เป็นไรอ่าทีนี้ก็พอมาติ่งทีรานี้แหละมาติงก็ฉันของหวานฉั้นของหวานก็คิดได้โอ้ปานีดานี่เมื่อกี้ก็ขายบัตรกาชาติให้หลวงพ่อเอาเอาไปด้วยเอาไปเดี่ยวโดยถูกแล้วมันจะลําบากอ่าเขาก็เลยเอาใส่ลิ้นจักกว่าอย่าทิ่งเถอะนะอย่าติ่งเถอะอย่างนี้เสร็จแล้วก็อยู่เดือนหนึ่ง ก็โทรมาทางสาลรกลางอะก็โทรมาบอกว่าหลวงพ่อได้รับรางวัลที่สี่ทองคําหนักหนึ่งบาทเอ้าตายแล้วทีนี้ยุ่งแล้วช้อยกอทองคําหนักหนึ่งบาทก็บอกว่าไปรับได้ที่จวนผู้ว่าที่จังหวัดสงขลาก็เลยโทรที่บอกว่าเอ้าปณิดาถูกแล้วรางวัลที่สี่เธอไปเอาด้วยช้อยกอทองคําหนักหนึ่งบาทเนี่เห็นไหม ที่นี่หลวงพ่อไปซื้อของจะไปเสียเก้าอะไรก็เลยไม่กล้าซื้อเดี๋ยวนี้ไม่กล้าซื้ออะไรแล้วอายเขาอายเขาเขาก็ไปเอาไปเอาเสร็จแล้วก็เอาแต่ว่ า, ายหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ เ, เป็นนี่บุญคุณกันอยู่บ้านนั้นเน่ยเมื่อก่อนก็คือพ่อสามีเขาก็สนิทกันมากทั้งพ่อสามีแม่สามีไปแล้วก็ฉันข้าวฉันน้าที่นั้นประจําะเพราะกายเครื่องบริการ นี่เรื่องของพระสันติพระสันติทีนี้หลวงพ่อก็อคิดจะสร้างคิดจะสร้างให้รูปใหญ่กว่านี้เอารูปนี้เป็นแบบพอกลับมาจากอาณใหญ่กลับมาจากอาณจกักรเขาเปิดดูโทรทัศน์ว่าพอเปิดดูโทรทัศน์เปิดโอ้เห็นโรงงานหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาทำเนี่ยก็จะกัดหินเนี่ย หินในภูเขาไฟนั่นเลยสกัดเป็นพระพุทธรูปเป็นนั้นเป็นนี้โอ้เราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วทีนี้ก็ก็ไปทีนี้ไปเอไป <c oughs> ขึ้นรถอ่าลงเครื่องที่ดอนเมืองตอนนั้นที่ดอนเมืองลงเครื่องที่ดอนเมืองเสร็จแล้วก็มาขึ้นรถไฟไปที่บุรีรัมยูรถไฟไปถึงโน้นก็คำกับมืดมืดกลางดึกเลยวะมาก็ไม่เคยมาบุรีรัมย์เนี่ย อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พอไปถึงสถานีบุรีลำเขาก็ประกาศว่าถึงบูรีลำแล้วเราก็อยู่ชั้นข้างหลังอยู่ตู้ข้างหลังอยู่ตู้ข้างหลังกูมันมืดมืดที่นี้ก็ลงจากรถควายนะไปทางไหนนี่แหละมืดทั้งนั้นเลยสถานีรถควยก็อยู่ไกลนู่นต้องเดินไปเดินไปถึงพอดีอคนก็มารับเรา่าโทรศัพท์บอกกันนะให้มารับเขาก็มารับไปรองพ่อก็ไป นอนที่โรงงานทีนี่ก็ไปตกลงกันตกลงราคาก็ได้ราคาเท่าไหร่บอกว่านี่กว้างเท่านั้นก็ยาวเท่านั้นยาวรู้สึกว่าจะ2องมดนาทสิบทีนี้ก็หกมืนห้าอ๋อหกมื่นห้าก็หก0มืห้าก็ไม่ลดกันบ้างหร น, นี้ก็บอกว่าลดไม่ได้แล้วราคานี้แล้วก็เลยเอาเอาหลวงพ่อก็ต้องมาครั้งสองครั้งมาดู มาดูแต่กดตรงมาจี้เลยวันนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อไม่ชอบต้องเอาอย่างนี้เพราะให้แบบมาแล้วให้แบบมานี่นั่นคือองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งเขาออกไว้ว่าที่ศูนย์กุญจราทีนี้พอทําให้ยอมยินดีเป็นคุแม่ของคุณประเสริฐนี่แหละพอเขาจอดกรติ้งเสร็จอะไรเสร็จก็ลงมือทําวิหารวิหารนี่ลัางขาก็คือทําแบบของที่โน้นที่กุศลราหมดเลย โยมเขเขียนแบบว่าแบบกับเบื้องมีเหมือนฉาลาลงทำเหมือนบดดว่าหลวงพ่อไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาเวลาฝนมันรั่วแล้วลําบากแต่ว่ามันมีลิงด้วยที่วัดมันมีลิงเดี๋ยวลิงมันขึ้นหลังคาเดี๋ยวไม่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้แหละเอาเป็นหลังคาเป็นโคง้โคงโคง้โคงโค้งโค้งเตะเตะปูนหมดอทีนี้พ่อทำเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คิดว่าเอออย่างนั้นก็ทําพระอีกรูปหนึ่ง พระอีกรูปหนึ่งก็คือพระปางเนี่ยก็เรียกว่าปางสาญาติมไม่ใช่ปางปารินิพา น, นคือพระองค์นอนสบายๆอย่างนี้นอนสบายๆคือสงบนอนสงบเยน็นสงบเยน็นสงบเยน็ยนอย่างเนี้ยทีนี้ก็คิดกันว่าจะเอายังไงดีทีนี้จะเอากันยังไงดีอยอมยินดีก็บอกว่าเอออย่างนั้นก็เอาไม้สักที่เอาไม้สักทาไมเอาไม้สักก็เอาหินเอาหิน หรวงพ่อคิดว่าไม้นี่ปลวกมันก็ขึ้นมันโดนน้ำมันก็เปื่อยยุ่ยไม่เอาหรอกไม้สักเอาหินดีกว่าเอาหินเอาหินทีนี้คิดกันไปคิดกันมาก็ติดต่อไปทางโน้นแทางเชียงรายนนทก็เอาหินเอาหินก็คือยกขาวนะั่นแหละยกสีขาวออกหยกสีขาวติดต่อราคากันไปอะไรกันไปหกแสนห้าทีนี้ก็เอ้ยจะเอาหินหรือจะเอาไม้ บอกว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระโง่เอาไม้ทาไมเอายกไม่ดีกว่าหรก็เลยเอายกหกแสนห้าหมื่นหกแสน้าหมื่นก็เลยเอาหกแสนห้าหมื่นก็หกแสนห้าหมื่นก็โยงก็ช่วยกันหลวงพ่อเองก็ขายนามาขายนาขายนามาปันปันให้พี่พี่น้องน้องเสร็จแล้วก็ขอก็ห้าหมื่นพอห้าหมื่นี่หลวงพ่อจะเอาสร้างพระก็เลยสร้างพระสร่างพระก็ ตัดเป็นสองชิ้นชิ้นเดียวปาขึ้นไม่ไหวเพราะปาขึ้นทั้งเจ็ดสิบกว่าเม็ดนี่ความสูง อ, ะอ่ะมันเป็นบันไดซิกแซกซิกแซกซิกแซกหนักไม่รู้กี่ตันประมาณสองสามตันได้ที่หนักอะ่ะทีนี้ก็เป็นยางไงปาขึ้นไปเจ็ดวันเอาขึ้นสองสองชิ้นปาขึ้นเจดวันต้องเอาพานักงานเทศบาลอ่ะแล้วก็เอาทหาร สองครั้งสามครั้งประชาชนมั่งอะไรมั่งเขาบอกว่านี่ถ้าขึ้นไม่ไหวแล้วก็ตาไปหยุดที่ตรงไหนหลวงพ่อจะสร้างกุฏิแล้วก็ไปนอนอยูดที่ตรงนั้นเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้ไม่มีความสามารถกันนี่จนขึ้นได้เสร็จเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดนี่โยมไปตอนนี้ก็ไปเห็นนี่นั่นคือประตางปางสันติดุนิพพานนิปพิทาวิราคะ วิมุตติวิสุทธิสันติสงบสันตินิสงบคือถ้าเราปฏิบัติไปถึงสงบพอไปถึงสงบนี่จิตมันจะอยู่กับความสงบสงบสงบสงบสงบหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบมันจะอยู่กับความสงบทีนี้พออยู่กับความสงบสงบสงบต่อไปจากสันติก็นิพานนิพานก็คือเย็นคือเย็นนิพานนี่คือเย็น ทีนี้เย็นนี่เป็นยังไงคือเย็นไม่จะเย็นเหมือนกับน้ําแข็งไม่จะเย็นเหมือนกับเอาของไปใส่ในตู้เย็นจิตมันเย็นเย็นเพราะมันไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันเป็นจิตที่เย็นมันคลายคลายความร้อนความร้อนคือราคะโทสะโมหะนี่มันหมดเอาทีนี้เรากลับไปที่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติ ที่ใต้ต้นโพจนจิตถึงความสงบเย็นสงบเย็นก่อนนิพพานถ้าก็ถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่ตรงไหนทุกคนตอบว่าโน่นที่กุศินารานนกุศินาราอะไรและจิตของท่านสงบเย็นที่ไหนสงบเย็นที่ใต้ต้นโพที่ใต้ต้นโพพระองค์ประสูตรประสูติที่ใต้ต้นโพพุทธโพุทธโธเกิดขึ้นมาทันทีพอกิเลสมันดับ พอกิเลสมันดับพุทโธก็เกิดพอเกิดพุทโธขึ้นมาเกิดพุทโธขึ้นมาพุทโธคือรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเกิดพุทโธขึ้นมาทีนี้พอเกิดพุทโธขึ้นมาก็ทโธขึ้นมาแต่แล้วจิตนั้นก็สงบเย็นเขาทีนี้เขาอธิบายกั น, นอธิบายก่อนนิพพานคือตายพระอารหันต์ตายตายอะไรเนี่ยแล้วสงบเย็นเนี่มันตายได้เลย ไอ้สงบเย็นความสงบก็ตายไม่ได้เย็นก็ตายไม่ได้ความสงบมันมีก่อนที่จะมีโลกมีจักรวาลมีอะไรเนี่ยมันมีความสงบอยู่ก่อนความสงบมันมีอยู่ก่อนอะไรทั้งหมดในโลกในจักรวาลนี้แหละมันมีความสงบอยู่ก่อนทีนี้ความสงบนั้นเนี่ยพอมีความสงบแล้วมันค่อยๆมีมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นสิ่งนั้นมันก็มีอะไรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆมันมี ที่นี่นายปฏิจจ ata โมปบาตว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับทีนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราเดี๋ยวนี้แหละพอมีตัวกูขึ้นมาคือพอข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจิตนี้เป็นกูพอจิตเป็นกูเอานี่แขนก็ของกู ขาก็ของกูหน้าก็ของกูนี่มันมีขึ้นมาแล้วมีมีมีมีมีมีมีบดอะไรมีหมดมีแขนมีขามีตัวมีจิตมีใจกูบมดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเอ้ามันทุกข์นี่มีนี่มันทุกข์นี่นี่นี่มันทุกข์ทีนี้เมื่ออวิจชามี อวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขาราเห็นไหมสังขารก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพอจิตมีขึ้นมาเท่านั้นพอไปโอจิตมาเป็นตัวกูเท่านั้นเองเนี่ยสังขารก็มีขึ้นมาแล้วสังขารก็มีสังขารก็ปรุงแต่งทีนี้ปรุงแต่งกายสังขารอู้นี่กายกูนี่กายกูนี่ หน้ากูนี่ขากูนี่แขนกูนี่ตากูนี่คิ้วกูนี่นี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอนันนี้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะจิตมีแต่ตามที่จริงอจิตนมันว่างจากตัวตนมีกับไม่มีมีกับไม่มีถ้าว่างก็คือดับหยุดสงบเย็นแต่ถ้ามีมีแต่ว่าอย่ามีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนอยู่สี่สิบห้าปี จอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมีกับไม่มีสองอย่างเท่านี้นอนสองอย่างเทาง่านี้มีก็คือมีทุกมีก็คือมีทุกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามีอวิชชาเป็นปัจจัยทาให้เกิดสังขารเมื่อสังขารมี ปัจจัยสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้คือตัวรู้สังขารก็คือกายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารอ่าพอสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้รู้อะไรรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจนั่นวิญญาณรู้อยู่เท่านั้นอันนี่มันมีนี่มีอะไร มันมีกูมีกูก็ไปเอาจิตนี่แหละจิตนั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีตัวตนมันมีตัวตนที่ไหนไปจับมาดูที่มันมีที่ไหนลองไปไปผ่าตัดแล้วเอาหัวใจออกอันนั้นมันหัวใจมันไม่ใช่จิตจิตมันคือตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกมันเป็นนามธรรมจิตนั้นเป็นนามธรรมคือตัวความรู้สึกคําว่าจิตนี่แปลได้สามตัว หนึ่งแปลว่าก่อหนึ่งแปลว่าก่อสองแปลว่าอะไรแปลว่าก่อหรือกดแปลว่าวิจิตแปลว่าวิจิตตัวที่สามแปลว่ารู้แปลว่ารู้แปลว่าก่อแปลว่าวิจิตแปลว่ารู้ ก็อะไรมันก่อเรื่องพอจิตมีขึ้นมามันก่อเรื่องอันนี้ก็ตัวกูอันนั้นก่ของกูอันนู้นก่ของกูโอ้ยกูร่ํำรวยแล้วกูต้องขยายกิจการออกไปขยายออกไปขยายออกไปขยายไปขยายมาทุกเต็มหัวเลยทีนี้ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมก็บอกว่าไปไปไ ป, ไปที่ศูนย์หน่งไปความธรรมไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีเวลาแต่จะให้ตัวกูกับของกูเท่านั้นแหละอ่าเห็นไหมนี่มันเรื่องมี ก็ะฉะนั้นมันมีอวิชชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวียนวายทีนี้จิตที่แปลว่าอ่าก่อแปลว่าวิจิตแปลว่ารู้ที่แปลว่าก่อนี่คือมันก่อเหมือนกับหัวปลวกอย่างนั้นก่อให้มันมีตัวกูขึ้นมาตามที่จริงมันไม่มีพอก่อขึ้นมาแล้วเช่นว่าสร้างบ้านขึ้นมานี่แหละสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่ง โอมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องวิจิตมัต้องพิสดารห้องรับแขกก็ต้องเรียกว่าต้องมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับสร้างโบสถ์จากหลังเนืองนั่นแหละสร้างโบสถ์โอ้ล้านไม่พอสิบล้านไม่พอยี่สิบล้านไม่พอหน้าต่างต้องอย่างนั้นต้องมีขนกนกงอนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ประตูก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้พิสดารวิจิตนี่เรียกว่าวิจิตเอ็นี่หนึ่งแปลว่าก่อ รองแปลว่ายิจิตสามแปลว่ารู้ถ้ารู้ก็ทําให้มันพอดีพอดีทีอย่ายึดมั่นถือมั่นมันให้มากเกินไปนี่มันวิจิตวิจิตโอ้ยทาปากนี่เมื่อก่อนน่ยทาปากเป็นยังไงไม่ดีอี e ่ห้อนี้ไม่ดีเอาไปซื้อที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นโอ้ยชุดหนึ่งมื่นกว่าโอ้ยทาแล้วปากมันเย็นมันดื้อมันเวววาวโง่โทางนั้นเลยตกลงเห็นไหมนี่มันวิจิต นี่จิตทางนั้นไม่ว่าจะทาปากไม่ว่าจะทาคิว้วไม่ว่าจะหวีผมก็หวีให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันตกกระโปรถ้ามันพอดีพอดีนะเสร็จแล้วโอ้ยพอนานนานเก่าชักมีเงินหวีผมไม่เป็นแลยทีนี้ไปติลานช่วยหวีผมให้ฉันหน่อยทีใหม่ไปซื้อหวีมาซื้อกระจกมาอะไรมาแล้วก็มาหวีน้ํามันมาแล้วก็ทำอะไรไปก็ทําผมทําอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้อย่างนั้น พอเสร็จแล้วบ้านนั้นประตูมันเตีย้ยพอมันเตีย้ยเข้าประตูไม่ได้อ่าผมมันสูงผมเออนี่เมียฉันเนี่ยฉันจาไม่ได้สามีว่านี่เมียฉันเนี่ยนี่เห็นไหมนานนานเก่า ว, วีผมก็ไม่เป็นวีผมไม่เป็นเล็บก็ตัดไม่เป็นอีกไปให้เขาตัดเล็บให้แต่งเล็บให้อะไร อ, อ้นี่เห็นไหมนี่วิจิตไปเรื่อยเลยวิจิตวิจิตวิจิตวิจิตจนกระทั่งว่า พอใกล้จะตายบอกฉันต้องใส่เสื้อตัวนั้นนะต้องนุ่งผ้าอย่างนี้ต้องตาปากตาแก้มตาหวีผมฉันให้เรียบร้อยนี่เขามีเลยก็ เ, เลยมีไออะไรมีงานทําใหม่ขึ้นมาก็บอกว่าในประเทศจีนนี่หลวงพ่อถามกา็แล้วก็ตายแล้วก็ทํากันยังไงประเทศจีนก็ก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็บอกว่านี่มีงานใหม่เกิดขึ้นมาคนที่ไปแต่งศพเนี่ยออ้ยได้เดือนนึงหลายหมื่นแต่งศพ เนี่ยเขต้องแต่งศพแต่งให้สวยงามตายแล้วก็ยังเป็นห่วงก็ทํายังไงก็ทาไว้ที่ก่ช่างเขาเอาในประเทศนอกที่แถวยุโรปหลวงพ่อไปไปถึงไปอยู่หลายเดือนหลายเดือนที่นี้คนนั้นตายตอนที่ป่วยอยู่ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพอที่หลังเกิตายพอเกิตายก็ไปเยี่ยมศพไปเยี่ยมศพก็ก็บอกว่าอา๋อให้นั่งรอก่อน เขาก็ไปแต่งศพไปแต่งไปทาคิวาา้วตาปากวีผมใส่เสื้ออย่างนั้นอย่างนี้เราก็นั่งรอเนี่ยนั่งรอทีนี้พอได้เวลาเขากดเข็นออกมาจากห้องเย็นเขาไว้ห้องเย็นทางนั้นเข็นออกจากห้องเย็นแต่ในประเทศไทยนี่คงจะมีบางโรงพยาบาลมีห้องเย็นโรงพยาบาลตำรวจไม่มีห้องเย็นหรอกเอาถอยไว้ อเป็นลิ้นชักลินชักลิ้นชักเพราะวันนั้นพ่อหลวงพ่อไปน้องพ่อไปเลวงพ่อจะไปเยี่ยมสองสามครั้งแล้วก็คือไปดูไอ้ที่เขาฝาดศพนั่นเล ย, เยวันนั้นทําไมมันเหม็นเหลือเกินข้าวยังไม่ถึงเลยมันเหม็นออกมานอกโรงพยาบาลเลยโอประกาศไปก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อนี่สิบห้าวันแล้วสิบห้าวันจบที่เขาไม่มาเอานั่นก็ต้องลกทีนี้ เอาไปไหว้ที่วัดดอนอะไรไปจัดการเผาขวางกันตามเรื่องน่ะนี่ก็ทําอย่างนั้นทีนี้นี่เห็นไหมเรียกว่าวิจิตวิจิตวิจิตตายแล้วก็ยังต้องวิจิตอ่าหยีศพก็ต้องอู้ราคาเป็นหมื่นอ่าถ้าเป็นเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ใส่ลงแก้วอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์นี้มีชื่อเสียงยังไม่ต้องเผาเผาะตะเมยน่ะหากินไม่ได้ที่ถ้าเผานี่เอา ห, หากินดีหากินกับผีดูที่ พระสมัยนี้หากินกับผีนี่หลวงพ่อปัญญายังไม่ได้เผาเลยพราอาจานบอกแล้วว่าต้องเอาเผาทําอย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ไม่เผาไหวาหากินนี่ไหวหากินนี่หลวงพ่อไม่ไปแล้วตอนนี้วัดจนประธานก็ไม่ไปพักเมื่อก่อนตอนที่ท่านอยู่ก็ไปพักอเวลาท่านไปพัตธลุงก็ไปพักกับหลวงพ่ อ, อขึ้นบนเขาไปพักท่านสบายดีที่นั้นเอนี่เขาก็เก็บไวาไห้าหากินนี่วัดอื่นๆก็เหมือนกัน อ, องไหนมีชื่อเสียงก็ไหว้าหากินหากินกับผีไม่รู้จะหากินกับใครแล้วนี่หากินกับผีแล้วตอนนี้นี่มีอย่างนั้นนี่มันมีเม็ดเรื่องผีก็ยังวิจิตวิจิตวิจิตวิจิตขึ้นไปทีนี้เราต้องเรื่องจิตตัวนี้หนึ่งก่อสองวิจิตสามรู้ ร, ร, รู้ก็ต้องเกิดพุดโทโธขึ้นมาดิก็ต้องเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมามันจึงจะรู้รู้อะไรรู้ทุก รู้เหตุได้เกิดทุกขรู้ความดับทุกรู้หนทางไปถึงความดับทุกนี่มันต้องรู้อริยสัจสี่ทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิบัติตามองค์อริยมรรคนั่นแหละที่คุณประเสริฐอธิบายให้เราคว่างถามวันถามคืนนั่นองมรรคองมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์สำคัญทางนั้นเลยสำคัญทางนั้น แต่องค์ที่สําคัญที่สุดคือสัมมติที่สัมมติที่คือความเห็นอันถูกต้องหนึ่งเห็นอริยสัจสี่สองเห็นขันห้าสเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะเห็นปฏิจจธรรมุปบาทที่หลวงพ่อพูดว่ามีกับไม่มีสองตัวแค่นี้มีกับไม่มีคือมีกับไม่มี เม <ersch> ื่อสิ่งนี้มีาพอกรยายออกไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอวิชชามีนี่ควายมีเพราะอวิชชามีสังขารจึงมีเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมี เพราะนามรูปมีสายตนะคืออายตนะหกจึงมีเพราะอายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานมีภพจึงมีเพราะภพมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชารามรณาสโสกะปริเทวะทุกขทโทมานัตสาอุปาญาต จ, จึงมี นี่ความทุกข์ทั้งปวงมีเพราะอาการอย่างนี้นี่ข่ายทุกข์ข่ายมีทีนี้ข่ายไม่มีนี่ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้ฝ่ายที่ไม่มีทีนี้ปฏิบัติให้รู้ข่ายไม่มีเาปฏิบัติตามอริยมรมีองค์แปดไหมบางคนก็ยังไม่จําเลยอริยมรมีองค์แปดมีอะไรบ้างนี่ยังเป็นคนตาบอดคลาช้างอยู่ ตาบอดนะก็เราเหมือนคนตาบอดนั่นแหละถ้าไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อริยสัจสี่นะทีนี้คนตาบอดจําพวกหนึง่งเขาบอกว่านี่คุณรู้จักช้างไหมไม่รู้จักเอา้าคุณไปคลาดูดิช้างเป็นยังไงก็ให้คนตาบอดสี่ห้าคนสิบคนนะั้นไปคลําช้างไอคนหนึ่งคนหนึ่งก็คลำคลำคลำไปโดนก็ที่ขาช้างทีนี้ก็มาถึงก็ชอบนะั่นะ นาช้างมีลักษณะอย่างไรเหมือนเสาเรือนอ่าไอ้โดนขาช้างกะอ้าวไอ้คนหนึ่งไปไปคลำที่หูช้างเอาไปคลำที่หูช้างช้างมีลักษณ ะ, ะอย่างไรเหมือนกระด้งอ่านี่อเห็นไหมอ้าวอีกคนนึงไปคลำไปโดนกรหางช้างโดนที่ปลายหา ง, งชาง้งชางมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเหมือนไม้กวาดนี่แหละคือตาบอดคลำช้างตาบอดเพราะอะไร เพราะว่าอวิชาไปเอาจิตมาเป็นตัวกูไปเอาจิตมาเป็นตัวกูจิตมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันนี้พอไปเอามาเป็นตัวกูพอไปเอามาเป็นตัวกูมันก็เลยเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาพอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาจนโอ้นทำไมมันเป็นทุกอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่เรายากจนพยายามที่จะลําบากยากจนแล้วก็มาขยันหมั่นเพียรขึ้นมาอะไรขึ้นมา จนมีฐานะอฐานะกลางๆพอกลางๆเป็นฐานะเป็นมหาเศรษฐีเอ้าวพอเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมามันก็ยังเป็นทุกข์อีกเมื่อก่อนทุกข์เพราะไม่มีอะไรกิน<ม>ตอนนี้ทุกข์เพราะว่ามันมีมากเกินไปเอเมื่ออะไรเนี่ยมันอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วชีวิตนี้มันไม่ใช่แล้วมันอะไรแล้วเนี่ยทีนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์อพอมีโรงงานใหญ่โต คนงานเท่าไร่ปันคนปันคนนี่เดือนหนึ่งเท่าไรจะให้จ่ายเป็นค่าคนงานเป็นล้านไม่รู้กี่ล้านไม่รู้กี่ล้านที่นี่โรงงานก็ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้ยพอน้ําท่วมตามนั้นหลวงพ่อจะทํำยังไงที่เนี่ยน้ำมันจะท่วมแล้วเขาบอกว่าปฏิบัติทำก็ไปปฏิบัติทำก็ไปให้มันท่วมเถอะให้มันท่วม แต่เราก็ต้องป้องกันไม่ใช่นั่งดูอยู่ป้องกันป้องกันเสร็จแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันแต่ว่าคุณระวังให้มันท่วมแต่วัตถุสิ่งของให้มันท่วมของกูแต่อย่ามาท่วมจิตของกูนี่มันท่วมไปเถอะอย่ามาท่วมจิตบ อ, อยไอ้ของเหล่านั้นกูตายกูก็เอามันไปไม่ได้ ตัวกูก็ยังเอาไปไม่ได้แล้วไปเอาเรื่องกว่าฉั่งหัวมันท่วมก็ท่วมไปไม่ท่วมก็อย่าท่วมไม่ท่วมเราก็ป้องกันไว้ให้มันอยู่แล้วก็ได้ช่วยกันต่อไปอีกอย่างนี้นี่เรียกว่าต้องมีธรรมะไว้นี่คือทุกความทุกขมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหลวงพ่อบอกคุณเดินจงกรมเดินจงกรมก้าวอา่าวภาวนาก้าวไม่ใจกูไม่ใจของกูไม่ใจตัวกูไม่ใช่ของ ก, ก, ก, กูภาวนาก้าวภาวนาก้ า, าว น, าานี่เห็นไหม นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติปฏิบัติให้เห็นอะไรให้เห็นทุกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นอริยสัจสีคือทุกเหตุไดเกิดทุกความดับทุกคนต่างใหถึงความดับทุกนี่คือเหตุกับผลไม่ใช่เรื่องอื่นไอ้เจ้าก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้ววิ่งหนียิ่งโง่เข้าไปใหญ่เลยนี่คือตาบอดได้วาตาบอดกล่ำช้างตาบอดกล่ำช้าง ไม่รู้อะไรทีนี่ในปฏิจจสมุปบาทนะในอ็ดสิบ1องนั่นแหละอันดับที่หนึ่งอวิชชาอาวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอด น, นี่คนตาบอดแต่แล้วมีไม้เท้าไม้เท้านั่นแหละไม้เท้าก็ให้เด็กถือที่ปลายไม้เท้าตัวเองก็ถือที่คนไม้เท้าง่ายๆเด็กดูงเด็กนั้นเป็นอะไรเด็กตารก มันไม่รู้ว่าไปทางไหน อ, อะไรที่ตรงไหนมันก็ไม่รู้เด็กก็จูมันก็จูงไปตกคูตกร่องทีเนี่ถ้าอย่างนั้นคนแก่ตาบอดให้เด็กจูงเปรียบด้วยอวิชชาอาวิชชาคือจิตงโง่จิตงโง่จิตไม่ได้ฝึกเมื่อไม่เด็กฝึกมันก็อันนั้นก่อตัวกูอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ตัวกูอันนี้ก็ของกูมันมีแต่ตัวกูกับของกูเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งหมดนี่แหละนี่ <c oughs> คืออาวิชาเพราะจากนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาเนะี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาเราต้องอดทุกข์นั่นแหละมาวิจัยทีนี้มันเกิดที่ตรงไหนมันเกิดมันหนักอกหนักใจจนไม่มีทางออกบางคนก็เห็นไหมฆ่าตัวตายเลยถึงกับฆ่าตัวตายเลยเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่มีทางออกลูกศิษย์หลวงพอ่อหลวงพ่อไปสอนโรงเรียนยี่สิบเอ็ดปีไปสอนโรงเรียนประจําจังหวัดเป็นเด็กมสี่ ก็เลยสั่งลูกศิษย์ว่านี่บอกเธอนะแต่ใครมีปัญหาอะไราจะฆ่าตัวตายขึ้นมารีบไปหาหลวงพ่อทันทีเลยอย่าฆ่าตัวตายนี่บอกเขาอย่างนั้นบอกเขาอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วมีบ้างที่มาอบรมเมื่อก่อนก็เอาตั้งแต่เด็กแล้วก็บวชเน้นอะไรต่ออะไรตอนนี้ไม่เอาแล้วหลวงพ่อตอนนี้ต้องทํากับปัญญาชนคนโง่ก็ไม่เอามันเสียเวลา เสียเวลาทํากับคนโง่นี่ก็พยายามท <c> า <oughs> งราชการว่าที่จังหวัดพัทลุงนั่นแหละรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอร้องบอกว่าไปอบรมการรายการทีเถ อ, อก็ไปอบรมอบรมหัวหน้าสานักงานอบรมตารวจอบรม อ, อะไรต่ออะไรบอดวันสะองร้อยสองร้อยสองร้อยสองรอนี่อบรมไป ได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเจ็บคอไปนั่นแหล ะ, ะเจ็บค อ, อได้ก็ได้เจ็บคอมานั่นแหละแต่ว่าหลวงพ่อก็อาหนังสือคู่มือมนุษย์ไปบอกว่าเอ้าใครต้องการพอพูดเสร็จใครต้องการหนังสือคู่มือมนุษย์ต้องให้หลวงพ่อหนึ่งบาทนี่มันไม่ได้หนังสือคู่มือมนุษย์นี่แพงไปไปพิมพ์มาตั้งสามแสนก็ถาวายสองแสนที่ธรรมศาสตร์หลวงพ่อเอาพิมพ์หมดอา้าวยมเมตตาเขา ที่โรงพิมพ์อมรินก็เพิ่มก็ไปอีกแสนนึงพิมพ์หมดอบอกว่านี่โยมเมตตาพิมพ์หนังสือกู้เมือมนุษย์เท่านี้แล้วก็จะได้กี่เล่มก็โยมจัดการเอาเองจัดการเอาเองก็เล ย, ยก็เอาอะไรมาแล้วก็ทําเรียบร้อยหลวงพ่อก็มีหนังสือกู้มือมนุษย์เพราะฉะนั้นแจกฟรีไม่ได้ไอ้ยาฟรีมันไม่ศักดิก์สิทธิ์แจกแล้วก็เอาหมดเลยแต่แต่แรงไม่ได้เอาไปกินเอาไปทิ้งทั้งนั้นเลยไม่ได้ น, น arrived, lady, ung, osh, ajo, dentro, ี่หนังสือก็เหมือนกันหนังสือก็แจกคีไม่ได้หลวงพ่อแจกแจกแจกแจกที่วัดน่ะตั้งไว้นี่หนังสือนี่หนังสือนี่หนังสือนี่ที่หลวงพ่อพิมพ์หลวงพ่อเขียนมานี่ก็แผ่นซีดีแผ่นซีดีแผ่นซีดีออกเรื่องใหม่ใหม่ม่ใออกมาเรื่องใหม่นี่ที่แจกว่านี้ก็เป็นเรื่องใหม่อีกเป็นเรื่องใหม่มันจะใหม่ออกมาเรื่อยใหม่ออกมาเรื่อยทีนี้กว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อทำเทพทำเทพ ซื้อเทปทิละพันธ์ทิละพันทําเทปออกมาอัดเองอาาดัดเสร็จแล้วก็มาซื้อเพลงที่ตาประจันซื้อเพลงร้านน้องชั่ทีหนึ่งสามหมื่นเพลงน่ะเพลงดนตรีอ่ะทีนี้ก็ต้องสาวต้องเราต้องศึกษาเพลงอีกจึกกรเพลยงวาดสาวยังไงอะไรยังไงเพลงไหนที่มันเข้ากันกับเสียงของหลวงพ่อเสียงที่มันเป็นธรรมชาติโอ้หลวงพ่อทามาจนเบื่อแล้วเบื่อทีนี้ก็ แค่ยังไงต่อมาก็เอามีซีดีขึ้นมาพอมีซีดีขึ้นมาเอา้าเครื่องโน้นก็เป็นอนุนล้มพับไป เ, เครื่องเครื่องเทปน่ะเอาซีดีขึ้นมาอีกซีดีก็ต้องมีหน้าปกามีหน้าปกก็ต้องมาซื้อเครื่องเอาไปปริ้นทําหน้าปกอะไรต่ออะไรอูมันยุ่งยากแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ให้คนอื่นให้คนอื่นเขาสบายใจทีนี้ คนประเสรฐก็ดีญาติโยมก็ดีก็ไปฟังกันเรื่องอะไรกวางก็เรื่องเรื่องตื่นเรื่องตื่นก็คือเรื่องพุทโธหลวงพ่อก็พูดไปพรางเพลงก็นี้แหละเพลงก็สาวไปพรางนี่ไอ้มือนี้ก็ถือไม่บรรยายไอ้มือนี้ก็เพลงสาวเพลงอพอเสร็จแล้วพ อ, อเราหยุดหายเหนื่อยหน่อย เ, อเราก็เพลงขึ้น กรอเพลงแวนสบายสบายพอเสร็จแล้วหลวงพ่อจะพูดพ่าจะพูดหลวงพอ่อค่อยๆเบาเพลงลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดเอาเสร็จแล้วก็พูดไปเพลงก็สาวไปอะไรไปเนี่ยเนี่ยทําไปอย่างเนี้ยหลวงพ่อตกลงว่าไม่ไม่เคยเรียนมาเลยเรื่องนี้ทาเป็นตกลงทําเป็นพอทําเป็นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วให้มาสาวที่นี่บางทีก็สาวมาจากพัทลุงเอมีลูกมือ โอ้มันก็เจ้าเวนเจ้ากรรมลูกมือคนหนึ่งเป็นจ่าตำรวจอ่าเป็นจ่าตำรวจลูกชายบวชบวชสองคนอยู่ที่วัดบวชเน้นะบวชเนนป่ากดูร้อนอ่าบวชแต่แล้วพ่อก็เลยมาช่วยบริการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นจนกระทั่งว่าศรัทธาหลวงพ่อก็ศรัทธาหลวงพ่อก็เลยอ่าลอลอปลารุกมาตอนที่พอศึกแล้วก็ปลาลูกมานอนมาอะไรมามารับใช้หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็ฝึกให้สาวเพลงอ่า พอสาวได้พออยู่มือเท่า น, นั้นเองเนะี่ยตายอีกแล้วแต่พว่าคนนีพ้พอเมื่อก่อนนะเจ็ล่ากับบุรีจัดอพอมาที่หลังเลิกแล้วพอเลิกแล้วไม่ถึงสามเดือนตายเลยอนี่ก็เลยให้คนอื่นช่วยอีกตอนนี้ก็เนี่ยทางกรุงเทพเนี่ยให้ทางกรุงเท พ, เท ก, เทพก็ช่วยช่วยทําอะไรก็ให้เกาช่วยพอหลวงพ่อพูดเสร็จ น, นี่อย่าลืมนะเจ้าหน้าที่นะก็หลวงพอ่อ พูด จ, จบแล้วก็เอาไอ้ทั้งหมดนี้แหละเอให้หลวงพอ่อแลหลวงพ่อจะไปให้ก็สาวสาวเสร็จแล้วก็จับไปพริ้นออกมาเด็อย่างน้อยก็หนึ่งพันแล้วก็พริ้นไปเรื่อยๆ เ, เรื่องใหม่เกิดขึ้นมาก็พริ้นไปเรื่องใหม่ก็ทําไปอย่างเนี้ยนี่เียกว่ามันวิจิตวิจิตนี่คือวิจิตอย่างนี้ต่อมาก็คือรู้นี่ก็คือตัวรู้ที่จิตน่ะจิตนะ่ตนะที่บอกว่าหนึ่งตัว ก่อสองวิจิตสามรู้เนี่ยสมรู้เนี่อย่างนั้นทางนั้นงานมันอย่างนั้นทางนั้นนี่ตัวรู้รู้ที่นี้รู้มันต้องรู้อริยสัจรู้อริยสัจก็ใครเป็นคนรู้ก่อนพอพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้ก่อนพอพระองค์ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติที่ตายตนโพน่ะเพราะว่าต้องตายก็ตายไม่ลุกขึ้นแล้วตอนนี้ตายมันนอนทับตายอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละจนเกิดรู้ขึ้นมา เกิดญาณขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิชาขึ้นมาเกิดอาโลโกโขึ้นมาอ่านี่ภาษาบาลีภาษาต่างประเทศนะเนี่ยภาษาต่างประเทศเราไปคนข้าใจรภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาบาลีก็ต่างประเทศเหมือนกันน่นี่ทีนี้พระองค์ก็ปฏิบัติตามอริยมรเบองแปดเพราะว่าที่พระองค์ปฏิบัติหนึ่งกามาุ ก, การิการุโยะตอนที่อยู่ในพระราชวัง ปัดทิ้งไปส อ, อัตตากิลามะฐานุโยชัยไม่ได้ตายลูกเดียวอันนั้นก็ตายลูกเดียวไม่มีทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ทีนี้เป็นยังไงทบตวนอีกหน่อยหนึ่งอัตตากามัทุกขลนิการุโยกอัตตากิลามะฐานุโยกมันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอนที่พระองค์จะมาเข้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมี มีนักร้องสี่ห้าคนนักร้องนักดนตรีนั่นแหละเขาข้าเมืองพระองค์ก็อยู่ที่ป่าละมะ่อกว่างนั้นก็ไม่เห็นหรอกอทีนี้เขาข้าเมืองเข้าเมืองไปรุ่นเล่นดนตรีที่ร้านอาหารนั่นแหละเขาก็เลยดีดพินไปอะไรไปร้องเพงลงร้องเพลงไปพรางอะไรไปพรางอ้าว เราต้องถึงไอ้มันพอดีพอดีปินนี้ใหญ่หย่อนเกินไปใหญ่ตึงเกินไปต้องมัชชีมาปฏิปทาคือต้องให้กลางกลางพอพระองค์ได้ยินว่ามัชชีมาปฏิปทาเท่านั้นเองโอ้นี่นี่ น, น, นี่ต้องอาลีอมัชมีองแปดคือมัชชีมาปฏิปทานี่แต่พระองค์ก็ได้แค่สายคํานั้นนี่ที่พวกนักร้องพวกดนตรีนั้นพูดนั่นแหละร้องเพลงไปนั่นแหละ พอได้ยินอย่างนั้นพระองค์ก็เลยปฏิบัติต่งโอ้ว่าพุทธจ้าองค์ก่อนก่อนก็ต้องเดินทางนี้ทางนั้นฉะนั้นเราก็จะต้องเดินทางนี้นี่พระองค์ก็เลยพอได้สายคำนั้นก็ออกมานี่มานั่งที่ใต้ต้นโพกอนั่งนั่งนั่งนั่ ง, น, งนั่งไปดูไปอะไไปพิจารณาไปพิจารณาไปคือพระองค์ก็ปฏิบัติต่างมักมีองแปดจนเกิดสัมมาทิฏฐิ ธรรมมาทิติเขาเห็นอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีคือทุกทุกทุกความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกขความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกขอเป็นทุกเพราะอะไรเพราะเราฆ้าไปยึดมั่นถือมันเกิดเกิดเกิดนะมันมีสองเกิดนะมันมีสองเกิดสองเกิดสามเกิดหนึ่งเกิดจากท้องแม่เราเรียกว่าเกิดท้องเกิดเป็นพระอริยเจ้า เกิดเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปเป็นพระสกิตากามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าเกิดเกิดทางอริยะแต่ว่าเกิดทางความรู้สึกตามความรู้สึ ก, ก, ก, ก, ก, อกพอเกิดตัวกูขึ้นมานี่เกิดแล้วเกิดแล้วนั่นคือเกิดแล้วพอเกิดตัวกูขึ้นมาไอ้กูแก่เน่ากูก็ผมงอกหลายเส้นแล้วกูก็ตาก็ไม่ดี ควันก็ไม่ดีเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นขึ้นมาทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกวันทุกวันทํำยังไงเนี่ยเกิดอย่างนี้เรียก ว, ว่าเกิดพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูทีหนึ่งมันทุกทีหนึ่งตัวกูทีหนึ่งมันทุกทีหนึ่ ง, งโอ้กูจะต้องแก่ต่อไปอา้าวทุกลองหน้าแล้วยังไม่ทันแก่ทุกลองหน้าแล้วอา้าวกูจะต้องตายก็บอกว่านูน่นต่อไปน้ําท่วมโลกมันท่วมไปดี่ก็จังหัวมันเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยกลัวเลยตายก็ตายไปที่ อย่นี้เขบอกว่าน้ำท่วมที่พัทลุงก็น้ำท่วมท่วมเหลือแต่ภูเขาที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยมันจะท่วมอย่างไงเนี่ยภูเขามันสูงอย่างนี้มันท่วมไม่ได้แล้วหลวงพ่อไปกลัวตายทำไมไม่ต้องไปกลัวตายอยู่ที่สูงแล้วถ้ามันตายก็ไม่มีอะไรกินแค่นั้นเองล่ะไปบินตะบานไม่ได้มันก็ตายท่านั้นแหละกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายอา้าวแล้วหนุ่มสาวไม่ทุกเน่มันทุก มันทุกข์โอ๊ยชิวฉันไม่สวยจาบวกไม่โดง่งไปทํานอยหรืออย่างนั้นอย่างนี้พอไปทําหน้าอกก็เขาบอกโอ้อย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นมะเร็งนะของปลอมนะเอ้ยไปผ่าอีกผ่าออกไปผ่าออกใส่ของจริงเอาไปไอ้ของจริงมันก็ปลอมไอ้ของปลอมมันก็ปลอมไอ้ของจริงที่มันอยู่ที่หน้าอกจริงนี่แหละมันก็ของปลอมเหมือนกันทั้งร่างทั้งเนื้อทั้งตัวปลอมทั้งนั้นเลย เรามาปฏิบัติเพื่อจะทิ้งของปลอมนั้นออกไปอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดถืออันนี้ของจริงร่างกายนี้เป็นของจริงไม่ใช่มันปลอมทางนั้นอันี้ถ้าเราทิ้งของปลอมเราจะได้ของจริงเราจะได้ของจริงเราต้องออกเรี่ยวออกแรงกันหน่อยอทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วนี่ต้องศึกษาเรื่องทุก ทุกษาเรื่องทุกการปฏิบัติตามอริยามรไมองแปดแล้วก็จะเห็นเรื่องทุกนี่แหละจะเห็นเรื่องทุกเพราทุกเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาน่ะอย่าหนีอย่านี้อย่านี้นไม่ต้องหนีออกมาวิจัยเลยว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเน่ยเรียกว่าเป็นพอเกิดยานขึ้นมาก็เรียกสัจจาานสัจจาานสัจจาทุกขนี่คือความจริงๆๆๆสัจจาคือความจริงสัจจาาน กิจยานเราต้องกําหนดรู้มันมาต้องศึกษาในเรื่องทุกสัจญานกิจจยา น, ก, ยานกิจยานคือเป็นสิ่งที่เราควรกระทําในเรื่องของความทุกข์เราจะต้องรู้มันสัจญานกิจยานกัตะยานเสร็จแล้วรู้เรียบร้อยแล้วนี่เรื่องของทุกยานสามอย่างนี้เรียกว่ายานสามนี่เกิดสัจญานกิจยานกะตะยานนี่ทีนี้เราจะเห็นทุกน ไม่ใช่เห็นกับสองตานะเห็นสองตาจริงไปเห็นดอกไม้ก็ไปเห็นคนสวยคนหล่อก็เห็นสวยจริงชอบข้าไปชอบข้าไปชอบทีนี้เป็นยังไงข้างหนยมันว่โอ้ดอกไม้นี่มันก็จะต้องเหี่ยวมันก็จะต้องเหี่ยวคนก็เหมือนกันต่อไปก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงมีอายการคนหนึ่งที่โน้นที่ที่เชียงใหม่ พ่อหลวงพ่อเมียของผมนี่แม่มันเป็นภาพลวงตาชัดๆเลยเมื่อก่อนสวยเดี๋ยวนี้อ้วนดูไม่ได้แล้วดูไม่ได้มันภาพลวงตาชัดๆเลยนี่ก็เรียก ว, ว่ามายาเป็นมายา เ, เด็กหนุม่มเด็กสาวสวยทั้งนั้นทีนี้พวกดาราเนี่ย ไปขายความหล่อความสว ย, ยตักตวงตักตวงเอากับคนโง่แต่ตามที่จริงไอ้ตัวเองเมันก okay. so ็โง่เหมือนกันเนี่ยบอกนั้นก็แก่ก็แก่ก็ไม่เอาแล้วก็คนทิ้งแล้วก็หาใหม่อีกนี่เก็หาอย่างนั้นก็จับคือพวกดาราทั้งหลายนี่ไอ้ไอ้ไอ้พวกแม่ยกไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาไปจับอีกไอ้พวกบริษัทไปจับ เขไปดูโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยไปดูเด็กมสี่เด็กหมห้าเด็กหมหกนี่ไอ้พวกนี้น่ยไปดูดูไอ้คนนี้ใช้ได้ไอ้คนนี้ใช้ได้ผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ผู้ชายคนนี้ใช้ได้โอ้เนาะไปกับพี่ไหมไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปไม่ต้องมากเอาเนาะเดินแบบก็พอกินแล้วอ่าเป็นอย่างไงพอนานนานมันก็เอาเสื้อผ้าไม่มีมันก็ให้เสื้อผ้า รองเท้าไม่มีไอ้ของดีๆถ้าเป็นผู้หญิงเขาให้กระเป๋าเบรนด์เนมก็ไปอาไปก็ไปอุ้ยดีใจแล้วกระเป๋าราคาตั้งหมื่นโอ้ยคนที่ก็รวยจริงๆนู่นที่เท้าแก่ที่เขาอยู่ทวนันนุ่ภูมินะกระเป๋าก็ใบเดียวข้านะั้นเน่ยเท่าไหร่รู้ไหมราคาแปดล้านอ่านี่เห็นไหมไอ้นี่ไอ้พวกเด็กรอๆหนุมน่มๆมันชอบแต่งตัว พอจอบแต่งตัวพวกนี้ก็โอนอ่อน่ายโอนอ่อนไม่ไปไมามาก็เลยมันเดินแขวะชั่นเลยว่าเดินแขวะชั่นออเดินแขวะ ช, ชั่นพอใช้ได้ต่อไปก็ก็จะเลือกเลือกให้เป็นดาราเลยทีนี้ขายความหล่อความหนุ่มความสาวพราะแก่ก็ก็ทิ้งทีนี้เขาก็ทิ้งเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นมันก็โง่ มันก็โง่กันทั้งนั้นเลยฉะนั้นต้องให้หล่อายน้อยไอ้มันสวยอยู่ภายน้อยไอ้มีความสงบเย็นมีสติมีปัญญามีอะไรช่วยเหลือตัวเองไม่พอช่วยเหลือคนอื่นเองนี่เรื่องของความทุกข์ไม่ใช่รอแล้วไม่ทุกข์รอมันก็ทุกข์อ่าสาวสวยมันก็ทุกข์นี่เห็นไหม น, นุ่งกางเกงกันแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผู้ชายน่ยมันฉลาดฉลาดที่จะดูขาอ่อนของผู้หญิง เมื่อก่อนก็ได้นุ่งสั้นแค่นี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมแค่ปิดตะโพกนิดเดียวแห่พระนี่เลยต้องเดินปิดหน้าแล้วตอนนี้ไม่ไหวเลยเห็นแล้วเหมือนกับกบอย่างนั้นเหมือนกับกบมันดูแล้ว ม, มันโง่ถึงขนาดว่าผู้ชายผู้ชายที่เขาออกแบบนะเขาออกแบบให้มันสั้นสั้นสั้นๆั้นเข้าไปต่อไปไ ป, ไ ป, ไปมามากออะไมันใสปิ้งเดินแล้ว นั่นเนี่ยนี่เหลอมันเป็นอย่างนี้โห้แ yeah, ย่จริงๆเลยทําไมโง่ถึงขนาดนั้นเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองเรานะราะหลงพ่อไปอยเมืองจีนโอ้เมืองจีนก็มีก บ, ม, กบมีเขียดเหมือนกันเมืองจีนมีอย่างนั้นเหมือนกันมันตัว่วตั่วโลกเลยไปที่ไหนก็เห็นแต่อย่างนั้นนะเห็นแต่อย่างนั้นนี่นี่เดียวกว่าเห็นแล้วมันสังเวชมันสังเวชไม่เอ่ยว่ามันสวยที่ตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งให้มันพอดีพอดี นี่โยนแต่งชุดขาวจะดูเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแต่พอเราแต่งชุดขาวเออจิตมันก็รู้สึกว่ามันชื่นใจนี่ยมันชื่นใจมันสบายใจนี่เราแต่งชุดขาวแต่ว่าชุดขาวของอินเดียไม่ไหวอ่มันไม่ไหวชุดขาวกลายเป็นชุดดำนี่มันจกกระปลอมมันจกกระปลอคนอินเดียนีจ่จกกระปลอมมากเลยอาหารกอ็อย่างนั้นคือเขาอยู่กันอย่างนั้น เราก็ไม่รู้จะไปโทษกันยังไงมันมากเกินไปแต่ว่าคนจีนมันก็มากเหมือนกันแต่ไม่จกกระปลกเหมือนอินเดียอินเดียนี่อันดับหนึ่งในการจากกระปลกเนี่ยวเวลาเดินข้ามแม่น้ําในรันชาราเนี่ระวังระวังระวังนี่ตาทรายที่มันพูนปูนอย่างเนี้อยากไปเดินจุดกันนะระเบิดทางนั้นเลยระเบิดระเบิดท้งนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่เดินเลยสะพานญี่ปุ่นก็ทําสะพานให้ ก็ทำทำไมสภาเนี่ยญี่ปุ่นไปทำห้ทำไมเขาจะขายรถนะเขาไปทำทางง่ายก็ไปทำสภาง่ายไปทำอะไรฮะเขาก็จะขายรถกันเดจะขายขายรถโตโยต้าขายรถนั้นรถนี้นี่มันโง่แล้วมันก็เป็นเจ้าแก่ไม่ได้หรอกญี่ปุ่นมันฉลาดนี่มันฉลาดนี่มันอย่างนั้นทั้งนั้นทีนี้เราพูดกันเรื่องของความทุกข์ความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ เราควรกําหนดรู้ความทุกข์ความหนดเรากําหนดรู้ได้แล้วคือสัจจญาณกิจจญาณกตตาญาณความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นความทุกข์นี่ในความสุขในอะไรก็คือความทุกข์ในความทุกข์ในอะไรก็คือความทุกข์ในคนที่เราเห็นว่าสวยว่าโออรนั่นแหละในคนนั้นแหละความไม่สวยมันมีอยู่จุดหนึ่งจุดไหนดูไว้ที่จุดไหนอดูที่จุดไหนถ้าเราเห็นว่าจ่าโกมันสวย ตัดจมูกมันออกไปนี่ไม่มีจมูกสวยไหมตรงนั้นสวยไหมหล่อไหมนี่ไอ้นี่ได้โพรงจมูกมันมีอะไรมันมีแต่ขี้มูกมันมีแต่สิ่งสกรปรกทั้งนั้นเลยนี่ายความสวยนะี่มันมีความไม่สวยอยู่ได้ดาราที่ว่าตาสวยมีนางภิกษุณีองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์โอ้ทีนี้ไอ้คนไปบ้านางภิกษุณีเขาเห็นว่าสวย ไปบานทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ยตาสวยจริงตาสวยจริงอ่ะเสร็จแล้วนางพิชรุณีองค์นั้นว่าเอาไหมควักลูกตาใหาเ้เลยวิ่งหนีเลยที่นี่นางยอมตาบอดวิ่งหนีเลยนี่เห็นตาสวยเห็นปากสวยก็เฉือนถิมขีปากออกเอาไปที่มันสวยในความสวยนะี่มันมีความไม่สวยอยู่ภายในแต่ถ้าจิตเขาสวย สวยหมดข้างนอกเนี่ยมันจะสวยหมดมันจะลหล่อมดโอ้มันมีค่าหมดเห็นใหม่ขนาดว่าเส้นผมอย่างเนี้ยเช่นผมเส่นผมพอโกนออกทิ้งออกไปแล้วออกมีคนไปเก็บเป็นอะไรเรียกว่าพระเกษานะเรียกว่าพระธาตุแล้วเป็นพระธาตุแล้วธาตุอะไรสุญญตาธาตุนั่นสุญญาติธาตุธาตุของพระอารหันต์ก็สุญยตาธาตุ ถ้าของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสุญญาต า, าธาตุเอาฝันของพระพุทธเจ้ า, าเรียกว่าพระทันตาธาตุพระทันตาธาตุก็คือธาตุธาตุอะไรธาตุว่างธาตุว่างนี่นั่นคือเป็นพระธาตุหมดพอเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระธาตุหมดพอเป็นพ ร, ระพุทธเจ้าก็เป็นพระธาตุหมดคือเป็นสุญญาตาธาตุสุญญาตาธาตุทีนี้ใครอยากจะมีสุญญาตาธาตุธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สุญญาตาธาติที่อยู่ในจิตของเรานั่นแหละเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาเห็นความว่างเห็นจิตว่างเห็นกายว่างเห็นสิ่งทั้งปวงว่างนั่นแหละจิตว่างแล้วพอจิตว่างแล้วทั้งหมดนี่มันว่างหมดว่างหมดโอ้ยพวกที่บ้าประทาตเต็มเลยประทาตเต็มเลยนั่งนั่งก็บอกว่าที่เขาศักดิ์สิทธ เขาบอกว่านั่งๆภาวนาพระาธาตุมาเองเลยมาเดี๋ยวนี้พระาธาตุของพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่สิบรถบัสแล้วตอนนี้เต็มไปหมดบ้านเหนยก็มีพระาธาตุมีพระาธาตุมันมีโรงงานผลิตพระาธาตุเขาผลิตทําไมอ่ะผลิตเพื่อที่จะขายอันนั้นเลยขายอะไรอะไรที่ใส่พระาธาตุนะเห็นไหมอ๋อ อาอจะซื้อพระธาตุหรือจะซื้อที่ใส่พระธาตุหรืออ๋อถแถมนี่พระธาตุน้นนี่ก็พระธาตุของพระพุทธเจ้านะนี่ของพระศาดีบุตรนะนี่ของพระโมกขันลานเนีก็ผลิดพระธาตุแล้วให้ฟรีเลยพระธาตุเห็นไหมก็เลยมีพระธาตุเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เสร็จแล้วพระธาตุของเรานี่นี่เรามาสร้างพระธาตุกันเรามาที่เนี้เรามาสั้งสร้างชุญญตาธาตุชนญาตาธาตุคือธาตุว่างว่างเพราะว่าเรามี วิสรรมคือเรามีปัญญาเอ็นว่ามันเป็นอนิจจังอย่างนี้มันเป็นทุกขังอย่ากล้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเสร็จแล้วก็มันเป็นสุญิตาคือว่างจากตัวตนอา้าวนี่จิตว่างแล้วพอจิตว่างอ่ะเราก็อภิธทามนั้นใส่ว่าใส่ที่ตรงไหนใส่ว่าที่จิตใส่ไว่ายภายในทีนี้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างไรโอเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาตาก็ว่างรูปก็ว่าง จะกูวิญญาณก็ว่างผัสจาก็ว่างเวทนาโกว่างเพราะเรามีพระธาตุอยู่ภายในเพราะเรามีพระธาตุอยู่ภายในเราไม่ต้องมีความทุกข์ไปเห็นเป็ดก็มันว่างเห็นพลอยว่างเห็นพลอยสีชมพูเห็นพลอยสีม่วงทีอะไรโอ้นี่ก็ของว่างอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างไม่กล้าวไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะว่าเรามีพระธาตุว่างอยู่ภายในคือมีจิตว่างเห็นไหมนี่เรามีจิตว่าง นี้เราจะเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ตรงไหนก็เอามาไว้เถอะแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงสรรนังสรรหนังนี่คือที่พึ่งที่พึ่งอยู่ตรงไหนนเอาที่พึ่งนั้นมาว่าไว้ในใจไว้ในใจจนใจจนจิตของเราว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายคือเรามีพระธาตุว่างพระพุทธเจ้าพบพระธาตุว่าง ถ้าธาตุว่างมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อก่อนไม่มีจักรวาลนี้ไม่มีโลกไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรไม่มีทีนี้พอมีความว่างขึ้นมาเรียกว่ามีธาตุว่างขึ้นมาก่อนพอมีธาตุว่างขึ้นมาต่อไปก็มีธาตุมีธาตุมีธาตุมีธาตุมีธาตุมีเอามีดวงอาทิตย์ขึ้นมามีอะไรมันมีดวงขอย มีธาตุควายเรียกว่าธาตุควายธาตุควาก็รวมกลุ่มกันรวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมกลุ่มเป็นดวงอาทิตย์พอเป็นดวงอาทิตย์เอ้ามีมีธาตุควาคือมันมีธาตุดินมันมีธาตุน้ํามันมีธาตุความันมีธาตุลมมันมีอากาศธาตุแล้ ว, วก็ м, ๆๆ sort of มีวิญญาณธาตุคือตาตรู้ตาตุรู้ทีนี้พอมีความสงบมีความสงบก็มีธาตุพอมีธาตุขึ้นมานี่อย่างโลกเราเนี้ยโลกเราเนี่ย มันก็คือธาตุก้อนแน่งอ๋อมันมีดวงไยขึ้นมาก่อนของเหลวของเหลวนี่ในโลกของเราที่ตงรงกลางเนี่ยมันมีของเหลวถ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่เวลาไอ้ภูเขาควายระเบิดของเหลวนั่นเนี่มันออกมาออกมาออกมานี่มันของเหลวมันเป็นของเหลวเเต่นี้ไอ้ของเหลวนี่มันไม่ได้อยู่นิ่งดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งโลกนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็หมุนเรื่อยหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยไม่หมุนได้ยังไงอะ ไม่หมุนดวงอาทิตย์มันก็เอาไปกินจะที่มันไปเอาเป็นบริวานมาแล้วยังไม่พอมันจะดึงข้าวเป็นเชื้อเพลิงของมันเราไม่ยอมนี่โลกนี้เราไม่ยอมเราไม่ยอมเราก็สู้ที่นี้สู้เราสู้แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนโลกนี้นก็หมุนไอ้นี่พอโลกหมุนขึ้นมาโลกหมุนหมุนข้าวกลางวันเจ็บต้องวโบ ง, งกลางคืนเจ็บต้องจอบงหมุนพอหมุนไปหมุนมาเออนี่ มันพอสว่างเราเรียกว่ากลางวันพอ้มันมืดเราเรียกว่ากลางคืนอย่างนี้เป็นยังไงมันเกิดกลางวันกลางคืนขึ้นมาแล้วกลางวันกลางคืนเราก็กําหนดขึ้นมาจริงนะกำหนดโอ้นี่มันเวลานี่ถ้าไหลายวันถ้าไหลายคืนแล้วก็เป็นเดือนเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีเป็นสิบปียี่สิปีสาสิบปีห้าสิบปีร้อยปีนี่มันเป็นปีขึ้นมาทีนี้เป็นยังไงเราก็กล่าวไปยึดถือแล้วกล่าวไปยึดถือแล้วยึถืออ๋อเราเกิดวันนั้นเดือนนั้น ปีนั้นตอนนี้อายุเท่านั้นแล้วอายุเท่านี้แล้วอายุเท่าน้นแล้วออาเป็นปีขึ้นมาแล้วอ๋อเราแก่แล้วเราเจ็บแล้วเราใกล้จะตายแล้วอายุเท่านั้นเราใกล้จะตายแล้วพอเสร็จแล้วมีคนฉลาดขึ้นมาเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้จะมีภาพปฏจิจจสมุ ป, ปบาทอ่าคนที่เขาเอาสมมติน่ะเอาสมมติของเวลานี่ยเวลาเป็นปฏจิจจสมุ ป, ปบาท ปฏิจจา ร, ระมบปะกเอาวิชาชังการวิญญาณนามรูปเวตนาผดษะเวทนาตะนาวประานพบชาติเสร็จ แ, แล้วมีนางยักษ์นางยักษ์กุมือคร้องอย่งนี้คร่อมวงกลมกินกินสัรปสัตบหมดในโลกนี้กินหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตนางยักษ์นั้นกินหมดกินใครกินขนโง่กินคนโง่ที่เข้าไปยึดถือว่า เวลาเนี่ยเรามีอายุต่านั้นมีอายุต่างนี้มีอายุต่างนดเวลามันไม่ใช่ของจริงเวลามันสมมติมันสมมติไม่เชื่อก็ขึ้นไปดูที่ขึ้นไปดูข้างบนยานอวกาศที่เขาขึ้นไปแล้วเราไม่ต้องขึ้นก็ไดเราใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาเกิดกลางวันกลางคืนขึ้นมาอะไรขึ้นมาเกิดเวลาพอเกิดเวลาขึ้นมาเกิดอายุเนี่ยเกิดอายุของเราขึ้นมาเราก็ไปยึดถือ พอข้าไปยึดถือเวลาข้าไปยึดถือไม่ต้องมากหรอกเมื่อวานนี้ผ่านมาอกี่รถผ่านมาเนี่โอ้ที่ตรงนั้นที่ปลายรถเมย์เต็มเลยเต็มเลเมื่อไรมันจะมาสักทีเมื่อไรมันจะมาสักทีเนะนะนื้อยืนเลยทุกทรมานทุกทรมานทุกทรมานยืนรอรถเมอ ย, อย์อยู่ทุกทรมานทีนี้ตั้งห้าจุดกนอย่างนี้ความทุก ถ้ารวมกันแล้วเต่ออร่อเป็นภูเขาเรากาเลยทีนี้เราไม่อย่างนั้นดิเราอย่าไปทุกข์ดิเราอย่าอยาอยู่ใต้อำนาจของเวลาเวลามันเป็นสิ่งสมมติทีนี้เราก็เอ้ายืนอยู่รอรถเมย์รอรถเมย์ เ, เราก็ยืนภาวนาะไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูเนี่ยยืนไม่ใจกูอยู่ยืนยืนแล้วก็เพิ่มปัญญาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มก็มาก็จังไมมาก็จัง ไม่เป็นอะไรบางคน2องสามป้ายรถเมย์นี้ยังรอรถเมย์อยู่อีกเดินไปเพล็บเดียวก็ถึงแล้วนี่ถึงขนาดนั้นจะว่ายึดมัน่นถือมั่นเกินไปเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่วัดนั้นวัดเชิงสะพานกรุงทนวัดเชิงสะพานกรุงทนหน่อชที่ว่าวัดสิงห์วัดสิ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งนู่นก็พอจสองพันห้าร้อยเะเขาก็เริ่มที่จะทาสะพานสะพานนั้น เรสะพานที่สามเส้น่นแหละเริ่มทำสะพานที่นี้หลวงพ่อก็ต้องมาเรียนที่วัดประยูนมาเรียนวัดประยูนบางทีก็เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนเส ร, ริมภาษาอังกฤษวัดประยูนเรียนอยว่าหกเดือนเท่า น, นั้นเรียนก็อ๋อไม่มีรถก็เดินเดินเล่นๆไว้ที่สนามหลวงพอ ไ, ไปถึงสนามหลวงก็อ๋ จอดป้ายน่อยก็เอาไปนั่งที่เขาขายน้ําโอ้ยอย่นะเอา่าไปฉันน้ําอ้อยบางทีก็ไปหยุดที่บางลาพูบางลาพูตอนนั้นก็คนก็ไม่มากอย่างนี้ไปฉันชาเย็นๆไปฉันชาเย็นที่ตอนก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินไปเดินไปถึงโน่นไปถึงสามเส้นโน่นเล่นเล่นไปอย่างนั้นนะรถเมล์ก็นานๆคันรถไดนเลิ่สมัยนั้นนบางทีก็มีรถรางอาทีนี้ บางทีก็เป็นยังไงออกมาถึงก็ต้องลองลดลองลดโอ้ยอังเหลือสองสามป้ายเนี่ยมันจะถึงแล้วไปรอไปต่อรถจะทํำไมก็เดินไม่ดีกว่าเดินเนี่มันสบายเดี๋ยวมันก็ถึงแล้วเดินนับป้ายรถเมย์ไปอย่างนั้นสบายเดินสบายนี่แหละบางทีสามป้ายรถเมย์เนี่ยไปรออยู่ทําไมทั้งครึ่งกี่โมงเดินไปถึงตั้งนานแล้วนี่แล้วไปยืนตกนรกอยู่ทําไมนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นี่เรานั่งรถ ไกลๆอย่างนี้ยแล้วก็นั่งภ า, า, า, า, าวนาที่ๆภาวนาอย่งรถก็ภาวนาเท่เอ้าที่นี้เรามีรถส่วนตัวมีรถส่วนตัวก็นี่ได้แผ่นซีดีหลวงพ่อไปแล้วกลัวอะไรเดี๋เปิดก็ไปเลยนี่มันมีทั้งนั้นแในเครื่องในรถอะเปิดไปพรางก็ขับรถไปพรางดีกว่านั่งหลงโฉงเฉงกันอยู่นี่เปิดควังไปพรางอะไรไปพรางบางทีก็เดินจงกรมก็เปิดซีดีไปพรางอะไรไป ต้องบ่อยๆบ่อยๆเพราะมันค่อยๆซึมเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยเพิ่มปัญญาเข้าไปนี่อริยสัจสีคือข้อทุกข์ทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ก็คือเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละตัวกูเนี่ยเกิดทีหนึ่งทุกทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งทุกทีหนึ่งเกิดตัวกูนั่นแหละเกิดจากท้องแม่นันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วตัวเองก็ไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดหรือไม่เกิดในตอนนั้นอ่ะไม่รู้อะไรเลยนั่นทีนี้ เราเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนี่แหละนั้นเนี่ยต้องจัดการกับเกิดตัวนี้ความเกิดที่เป็นทุกข์ก็เราว่าเข้าไปยึดมั่นถือมันเรียก ว, ว่าอุปาทานอุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีละปาตุปาทานอันตาวาตุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นกล้าไปยึดมั่นถือมั่นในกามกามู้ปลาทานทิศตัปลาทานยึดมั่นถือมันในความคิดความเห็นของตัวเองนั่นแหละบางคนก็ยึดมั่นถือมันจัดกูนี่แหละถูกกูนี่แหละถูก น, กนี่เพื่อนเถียงไม่ได้เลยเถียงแล้วโกรธเลยนั่นตัวกูจัดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกมีเต้าลูกเรียนหนังสื อ, อะตัวเองก็อยากกโอ้ลูกเป็นหมอไอ้ลูกมันก็ไม่ชอบแล้วไปแค้นมันทําไมมันไม่ชอบ มันจะเป็นนักดนตรีก็ให<ม>้ไปเป็นนักดนตรีก็ตรงไปเลยให้ไปสอบสอบไหนก็สอบเก้าจินปากอ่ที่ไปที่จัดการมึงจะเป็นอะไรมึงจะเป็นลิงก็กไปที่จะเป็นก้างก็ไปที่จะเป็นพระรามก็ไปที่อยู่ตรงนั้นดังนั้นแหละมันมีหลายระดับไม่ใช่ว่าเราจะให้ลูกของเราเป็นให้เป็นคนดีอย่างเดียวแต่เขาจะไปเรียนวิชาของเขาอาชีพของเขาอะไรก็ได้ที่เขาชอบนี่ที่เขาชอบ น, อบนี่ต้องเอาอย่างนั้น ทีนี้เด็กๆอะ่ะโดยส่วนมากยิ่งเด็กบ้านนอกแล้วอยู่มหกแล้วถามว่าแม่เธอจะไปเรียนอะไรปอมยังไม่รู้โดยโอู้แย่แต่ถ้าอย่างนั้นเขาแค่มสามนี่ก็ต้องรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนอ่าหลวงพ่อถามไงอ่าเอาใครอยากเป็นพยาบาลยกมือขึ้นอู้สลอนเลยยกมือขึ้นบอกเธอรู้ไหมพยาบาลต้องไปเตะขี้ทีเยี่ยวเขาไปล้างขี้ให้เขาอย่างนี้เธอทําได้ไหมทําได้เอาปออก็จริงอะ่ะ อเบื่อเบื่อเพราะว่าต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเขาต้องไปทำความสะอาดเขาต้องอะไรเขาอะไรอย่างนี้แต่ที่ไปชอบเพราะว่าเออทางพยาบาลดีแต่งตัวชุดขาวมีมวกมีอะไรมันเท่ดีอ้าวนี่ชอบนางพยาบาลพนานๆก็เบื่อเบื่ออีกแล้วมันก็เบื่ออีกอนี่มันไม่เห็นอันนี้จังทุกข์หาหน้าตามันเบื่อทั้งนั้นเลยอ้าวเธอเป็นอะไรอยากจะเป็นแอโอสเทด โอยดีดีดี ด, ดีเป็นนางฟ้าดีแต่ทูวรู้ไหมนางฟ้าล่ะไม่ค่อยมีสามีนางกวาะนะเป็นอย่างนั้นกันทางนั้นแหละเป็นอย่างนั้นทางนั้นส่วนมากส่วนน้อยก็มีแต่ถ้ามีก็ต้องถ้าถ้ามีถ้ายังเป็นแออยู่ต่อไปเลิกกันเลิกกันเพราะความใกล้ชิดมันห่างกันอย่างนี้ถ้าเป็นแอเป็นแอเ็จแล้วมีลูกขึ้นมาก็ลาลาจากเอแล้วก็ ไปอยู่กับสามีไปทํางานอย่างอื่นนี่แออสุสแตนก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคือต้องรู้ต้องบอกไอ้พวกเด็กๆรู้เป็นหมอก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นได้ทั้งนั้นแต่ควรที่จะเป็นสิ่งอันดับหน่งเป็นคนดีนี่เธอจะไปเป็นอะไรเธอจงเป็นคนดีเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดี เป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่ดีเป็นอะไรต้องเป็นคนดีเป็นได้หมดถ้าเป็นคนดีนี่เป็นได้หมดแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีนี่หมดไม่ดีหมดทั้งนั้นเหรอเพราะฉะนั้นมันต้องมีก็ต้องมีให้เป็นเป็นก็ต้องเป็นให้เป็นนี่คือต้องเป็นคนดีนี่เรื่องมีเรื่องเป็นเพราะฉะนั้นความทุกข์ถ้าไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์นะมีไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ มีเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายหลายล้านแต่แล้วเงินก็อยู่ในธนาคารแล้วออกมาไว้ที่หัไวทําไมออกมาทุนไว้ทําไมพอนอนก็คิดถึงเงินคิดถึงเงินมีเท่านั้นล้านมีเท่านี้ล้านทํำยังไงให้มันงอกไปแล้วออกมาทุนไ ว, ไว้ทําไมมีนี่ ม, มีไม่เป็นอย่างนี้มีไม่เป็นเป็นก็ต้องเป็นได้เป็น เป็นพ่อก็ต้องเป็นให้เป็นเป็นแม่ก็ต้องเป็นให้เป็นเป็นลูกก็ต้องเป็นให้เป็นนี่มีให้เป็นเป็นให้เป็นก็จะไม่เป็นทุกข์แต่เป็นไม่เป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นพระก็ทําไมออยากจะมีเงินมากมามีเงินมากๆเอาไปไหนเอาไปสร้างรถแล้วไปสร้างทำไมอก็มานิมต์เราก็ไม่เอารถมารับแล้วก็ไม่ต้องไปดิมันไกลเลยจะเดินไปยังไงนี่หลวงพ่อไม่เคยคิดเลย ไม่เคยคิดจะจะมีรถเลยมีอยู่คันหนึ่งหลวงพว่อมีอยู่คันหนึ่งเพราะพอหลวงพ่อแก่แล้วไปบินฑบาตลําบากก็คิดจะนั่งรถไปไม่ใช่รถอะไรรถซาเล้งเนี่ยรถซาเล้งหลวงพ่อก็เลยเอา่าววันนั้นไปซื้อรถแต่เจอรถร ถ, รถเครื่องเนี่ยไปซื้ออา้าวเขบอกว่าไม่ขายอา้าวทำไมไม่ขายอา่ะก็ถวายหลวงพ่อโอ้เราไปซื้อรถก็ก็กลับถวายไปซื้ออีก ก็เลยเอามาต่อเป็นรถชาเล้งนี่หลวงพอ่อทุกวันเนี่ยท่าไปไปไหนลงไปบินตบาทไปถึงก็นั่งรถชาเล้งไปเปิดบาทโยมก็รู้จักกันทางนั้นน่ยรู้จักทางนั้นเปิดบาทาก็กดใส่ใส่ใส่ใส่ใได้สองย่ามสามยามออกมาเลี้ยงกันเหลือก็ไอ้ลิงมั่งอะไรมั่งนี่ทำกันอยู่อย่างนั้นเอาต่อมายอมยินดีแม่ของคุณประเสริฐนี่แหละเห็นว่าหลวงพอ่อ ต้องไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่ต้องกลับมาต้องไปโน่นไปนี่เวลามีตุละเอาพอวันเกิดออกรถตู้ไปถวายหลวงพ่อไม่ได้ฝันแตกนิดเดียวหลวงพ่อจะมีรถนี่หลวงพ่อไม่ต้องการแต่ถ้ามีก็เอาใช่มันเป็นประโยชน์นี่ใช้ไปอย่างนั้นทีนี้หลวงพ่อไปตลาดนี่ไปที่ธนาคารไปที่ตรงไหนจาเป็นที่จะไปเอาหลวงพ่อมารถอะไรมารถชาเลนจ์ออเรื่องทำไมไม่เอารถตู้มา ไว้ประดับบารมีดีกว่านี่ไม่ต้องมันลำ บ, บากต้องมีคนขับที่จอดก็ไม่ค่อยมีรถมันมากนี่มันลํา บ, บากรถจัลเลนนี่ปื้ดปราปื้ดปล า, ปลปลานี่สบายสบายมากนี่เขารู้กันทางนั้นในเนมันพรัตนลุงนั่นพระวังเนียงพระวังเนียงบางคนก็ไม่รู้จักคนไม่รู้จักก็คนตาบอดเนี่ยรู้จักยังไงเนี่ยตัวเองก็ยังไม่รู้จักได้จะมารู้จักหลวงพว่อได้ยังไงเนี่ย น่นมันคนตาบอดไม่รู้ไม่รู้จักหรอกก็ถามวัดวังเนียงอยู่ตรงไหนไม่รู้โอแล้วคนที่กรุงเทพนะถามาคุณมาจากไหนมาจากพัตตารุงอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเมืองรู้จักหลวงพ่อเอี้ยนไหมไม่รู้จักมันตัวเองก็ยังไม่รู้จักแลวจะมารู้จักหลวงพ่อได้อย่างไง เขรู้จักกันทางนั้นะทีนี้คนโง่น่ยมันไม่รู้จักมันไม่สนใจสนใจจะเรื่องได้เรื่องเอาอย่างเดียวถ้าได้แล้วก็ดีได้แล้วก็ดีอุย้ยพระองค์นั้นดีนี่ห้นั้นเราให้นี้เราดีได้ยอย่างนั้นดีดีเพราะอะไรเป็นใจดีอยู่ที่พระดีเพราะได้เพราะได้ของนี่อย่างนั้นเนี่ยมันอย่างนั้นนั่นคือคนตาบอดคนตาบอดไอ้นี่เราพูดกันเรื่องความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาลอยลอยได้ มันมาจากเหตุมาจากเหตุเหตุได้เกิดทุกขเหตุได้เกิดทุกเรียกว่าสะมูทัยนี่พระราชาต่างประเทศดีแล้วทุกแล้วก็สะมูทัยทุกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรทุกขเกิดขึ้นมาเพราะไปโอจิตมาเป็นตัวกูนี่พอโอจิตมาเป็นตัวกูแล้วก็มันก็เป็นทุกนั่นแหละจิตนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกลางมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกลางกลางใครเอามาเป็นเจ้าของไม่ได้ เพราะมันไม่มีตัวตนแต่เอามาใช้งานได้แล้วก็เอามาฝึกให้มันฉลาดขึ้นมาก็ได้อะไรได้ได้ทางนั้นเลยเาะฉะนั้นทุกมันเกิดเพราะไปเอาจิตมาเป็นตัวกูพอเอาจิตมาเป็นตัวกูเป็นอย่างไรทีนี้จิตนั้นมันยังไม่ได้ฝึกาะ ย, ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไปจับวัวจับไวน์มาจากในปา่านั่นเลยมันยังเตือนอยู่มันก็เลยแสดงอาการเถือน อาการเตือนมันเดี๋ยวก็มีความโลภเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความหลงเดี๋ยวก็มีความโง่เดี๋ยวก็มีความรักเดี๋ยวก็มีความกลัวเดี๋ยวก็มีออเรื่อเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือจิตโง่จิตโง่จิตที่ไม่ได้ฝึกเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็ทําให้เกิดทุกข์นงจิตอย่างนั้นทีนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุคืออะไรเหตุของความทุกข์ก็คือราคะอาราคะแล้วก็คือโทสะก็คือโมหะ ควยสามกองควยคือราคะควยคือโทสะควยมีโมคือโมหะอ่าทีนี้พอเห็นก็ชอบใจเกิดราคะเห็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามใจเกิดราคะขึ้นมานั่นราคะมันอยากอยากที่จะดึงก็มาหาตัวราคะเอา้าพอเห็นก็ไม่ชอบ มันไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแล้วไปเกลียดเขาทำไมน่นั่นเกิดโทสะแล้วมันเกิดโทสะเกิดขึ้นมาไม่ชอบหน้าเขาก็าไม่ได้ให้ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบนี่เห็นถ้าเรามีเมตตาละ่ะที่เราอพอแผ่เมตตาจัพเพสัตตาจัตจทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเห็นไหมที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เห็นไหมก็เลยเป็นเพื่อนทุกข์กันทางนั้นเลยเป็นเพื่อนทุกข์กันทางนั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเพื่อนทุกข์กันทางนั้นแหละเป็นเพื่อนทุกข์กันทางนั้นนี่มีจะเป็นเพื่อนทุกข์กันไม่ใช่ไปพยาบาทไปอาฆาตไปจองเวรกันอะไรนั่นมันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนั้นเป็นศัตรูแล้วอีนี้ถ้าเราเห็นว่าโอ้คนนี้เราไม่ชอบหน้าเราก็บอกตัวเองโง่อีกแล้วโง่อีกแล้วอ๋อบอกว่าโง่อีกแล้วโง่อีกแล้วทํายังไงทีนี้ลราแก้ก็อ๋อ เขาให้มีความฉุกความฉุกเถิดเขาให้มีความฉุกความฉุกเถิดแผ่เมตตาเลยเราแผ่เมตตาไว้ในใจนั่นแหละเราแผ่เมตตาไปในใจนั่ในแหละมีโยมคนหนึ่งไม่ต้องบอกเป็นใครนะก็เป็นอธิกา ร, รบดีมหาวิทยาลัยเขาทีนี้เขาก็จะเข้ารับงานรับงานวันที่หนึ่งมกราคมหลวงพ่อแล้วจะทํำยังไงเนี่ยจะทํำยังไงแล้วต้องไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้คนโน้นหัวหน้างาน น, นั่นแหละเบอกว่า บอกเ อ, อเา อ, อ, อย่างนี้ที่อย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอะไรเขาทางนั้นเลยเพราะก่อนที่จะถึงแผ่เมตตาเขากข อ, อเขาเขามีความฉุกความฉุกเถิดเขาให้มีความฉุกความฉุกเถิดนี่แผ่เมตตาไปอย่างนั้นเนี่ยพอแผ่เมตตาไปอย่างนั้นสบายหมดเลยเรียบร้อยหมดทีนี้เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดนี่คือเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนปฏิบัติธรรมจริงๆจะรู้ใจกัน ถ้าที่รู้จักกันอะไรกันเข้าใจกันเนี่ยโอ้เข้าใจกันดีกว่าพี่น้องจะอีกคนที่เป็นความกันอะไรกันนี่พี่น้องทางนั้นเลยไม่มีใครที่จะเป็นความกันที่ดินแค่นี้มันก็ไม่ยอมเลย น, นี่มันไม่ยอมเลยพอปักรั้วปักรั้วเจ็ดแล้วรั้วมันล้มล้มมันก็เอาไปปักที่ปลายรั้วน่นที่นี่เอาที่ปลายไม้นอน <c oughs> นี่มันโกงอย่างนี้ยนี่พี่น้อง พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยจะเป็นความกันมากที่สุดพี่น้องสายเดียวกันแต่ว่าเราเนี่ยที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้พี่น้องสายเลือไม่ใช่สายเลือดสายธรรมสายพระพุทธเจ้านี่เราต้องกินอาหารด้วยกันเราต้องฟังด้วยกันต้องปฏิบัติด้วยกันอะไรด้วยกันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอะไรขึ้นมาออกกำลังายให้กวงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรกันนี่แนะก็ว่า พี่น้องสายธรรมพี่น้องสายเลือดมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงมันไม่จริงมันน้อยมากแต่ถ้าตั้งตองอย่างได้ดีทั้งพี่น้องทั้งสายเลือดด้วยทั้งสายธรรมด้วยดีถ้าอย่างนั้นเนี้ดี